ภวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ทังสรนังคตฉามิธรามังสรนังคตฉามิสังฆังสรนังคตฉามิทุติยมปิพุทธัง สรนังขฉามิทุติยัปิธรรมสรนังขฉามิทุติยัมปิธรรมังสรนังขฉามิทุติยัมปิสังขังสรนังขฉามิ ตติยมปิพุทธังสรรนางกัจฉามิตติยมปิธรรมังสรรนางกัจฉามิตติ ย, ม ป, ม, ตยมปิสังขังสรรนางคัจฉามิ ติดสนุนกรมนังนิิตังะจะเรญธรรมทุกคนวันนี้วันที่ส5บห้าตุลาคม2557พรุ่งนี้วันที่ส6บตุลาเป็นวันเกิดของชมรอเขาสิบกตุลาคมนี่เป็นวันเกิดของชมรอแห่งประเทศไทย ชมรมมังสวิรัตแห่งประเทศไทยวันที่ส6สันเดียโศกตอนนี้จัดงานจัดที่จัดทางกันเพื่อจะฉลองพรุ่งนี้กันงานจัดโรงบุญจัดอะไรอะไรกันครบ32ปีชมรมก็เกิดตั้งแต่ปี2525 25. ันี่สิบเริ่ม เปิดโรงบุญอะไระไรกันแล้วก็เริ่มมีชมรมอมีอะไรกันตั้งแต่พศ น, นั้นเลยพอเราเปิดโรงบุญเสร็จเราก็เปิดร้านค้าร้านอะไรตๆมาโอ้ใหญ่เปิดชมรมรอมีผ้าเนี่ยไปอา้อใส่วังสราญรมเปิดกันโอ้โหมันตื่นเต้นมันใหญ่โตมันคึกคักมันไม่เคยมีในโลกที่มีคนมาร่วมมือร่วมใจกันเอา ผักอบพึชงเรได้มากรองปนะเดินจนถึกมันครั้งแรกเลยอ่ะโอ้โหตื่นเต้นกันจริงๆเลยใครอยู่ในเใหตุการ์มัง่งโอ้โหมันตื่นเต้นมันโอ้โหยิ่งใหญ่ชมรรอครั้งที่หนึ่งมไม่ใช่ชมรเร า, ารทรลงบุญครั้งเราไม่เรียกโรงบุญแต่ตอนนั้นเราเรียกเราเรียกโรงทานอย่างเงี้ยครั้งแรกยังเรียกลงทาน โรงทานครั้งที่หนึ่งจัดที่ไปรวมคอสถานที่ทางสรานรมก็ทำโอ้โหยิ่งใหญ่มากเลยเดี๋ยวนี้เลยดูเมือกระจ่ายแต่างที่โอ้โหไม่ใช่เล่นเหมือนกันเดี๋ยวนีน้การใช้อาหารใช้เรื่องพวกนี้เนี่ยเป็น สื่อในการที่จะทำกับสังคมจนมาถึงทุกวันนี้เราทาเป็นมังสวิรัติจนกระทั่งมาทุกวันนี้มังสวิรัติก็ดูดีนะขึ้นหน้าขึ้นต า, นาแม้แต่ในอีสานมันไม่รู้เรื่องไม่ได้เอาฐานอะไรกับเรื่องเจเรื่องมังสวิรัตอะไรเลยแต่ก็ตื่นตัวขึ้นมาได้จนทุกวันนี้โอ้น่าหน า, นาดีใจหน้าภาคภูมิใจ เป็นเรื่องของสังคมที่เราอยู่กับสังคมเราก็ทำอะไรอะไรกับสังคมไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งเกิดหมู่กลุ่มสังคมชาวอาโศกอัตมาอยากจะพูดตรงๆเลยนะว่าหมู่กลุ่มสังคมเนี่ยเป็นสังคมชุมชนที่เข้มแข็งชาวอาโศกเนี่ยเป็นหมู่กลุ่มชุมชนที่เข้มแข็ง ที่เข้มแข็งเพราะมีระบบบุ ญ, ญนิยมที่เข้มแข็งเพราะเป็นระบบบุญนิยมบุญนิยมที่เข้มแข็งอาตมาก็เคยอธิบายเคยรืนั่นไปแล้วบุญนิยมที่เข้มแข็งอันนี้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งที่เรากําลังจะพูดกันนี้นวันนี้สัค่าสร้างคนก็นมาอธิบายต่อ เมื่อวานี้แฉลบไปแฉลบไปเลยเข้าไปหาพุทธชีวศิลป์ซะ ก, ก็เลยยกให้พุทธชีวศิลป์ไปซะมันไปเป็นเนื้อหาของธรรมะพุทธเต็มที่มันไม่ใจเรื่องของสังคมใดก็กลับมาที่สังคมใหม่หน้ามาที่สร้างคันสร้างสรรคค่าสร้างคนใหม่ ชุมชนที่เข้มแข็งค่อนหนึ่งเมื่อวานนี่ขึ้นต้นข้อนหนึ่งพอขึ้นศีลขึ้นธรรมเท่านั้นะมันไปเลยไปลึกเลยโอ้โไปไกลจนกระทั่งขึ้นถึงขั้นปรมาิของรูปใบกันใหญ่ก็เอ้าก็แล้วไปมันไปแล้วก็ไปวันนี้ก็กลับมาตั้งหลักใหม่ สังคมที่เข้มแข็งหรือชุมชนที่เข้มแข็งเป็นสังคมที่เห็นได้ชัดว่ามีลักษณะของคนมีศีลมีคุณธรรมมีอารยธรรมอย่างชาวโซโลนียืนยันมั่นคงชัดเจนว่าเป็นสังคมที่จงใช้ศีลเป็นหลักเป็นคนมีศีลซึ่งเราไม่ได้พูดเล่นๆ น, นะเราทํากันจริงๆ จ, จังๆมาแต่ไหนแต่ไรมาจนถึงวันนี้ ชัดเจนวันนี้เราชัดเจนว่าเราเองเรามีศีลกันแท้ๆนะใช้ศีลเป็นหลักของสังคมเลยเมื้อใครเข้ามานี่ศีลห้าถ้าใครมาทําอะไรอะไรที่มาฆ่าสัตว์ลักทรัพย์อะไรอะไรอยู่เราเอาเรื่องกันจริงๆนะนะมาเรื่องแม้แต่ราคะนะมาทาอะไรท้าเราทะแลที่มันออกนอก ศีลนอก อ, อกนอกศีลแล้วทำอะไรอะไรพวกนี้ตามหลักศีลหลักธรรมของเราเราก็ก็ชาระน่ะเรียกว่าชาระกันไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ปลดปล ะ, ะเลยนะเพราะงั้นถ้าชุมชนของเราเป็นเช่นนี้ไปตลอดนี่ก็มานานๆลยี่บสาสิปีละชุมชนเราก็เป็นเช่นนี้ ก็ประกาศไปจนชุมชนที่มีศีลไม่กินเนื้อสัตว์ชัดเจนไม่ได้เหละ่ะแหละเราจริงเห็นผลเห็นคุณค่าของการที่ได้ปฏิบัติอย่างนี้จริงๆถึงขั้นเป็นอาริยะสังคมเป็นอาริยะคำว่าอาริยะนี่มันต้องกำกับนะมีศีลเป็นอาริยะมีการสํารวมอินทรีย์เป็นอาริยะ มีสติสัปชัญญาเป็นอริยะความสันโดษเป็นอริยะอย่างนี้เป็นต้นซึ่งในพระตรปิบดกเล่มเก้าเนี่ยตอนบรรยายไว้สอนไว้ทุกสูตรนะ่ะนอกจากสูตรที่หนึ่งที่ไม่ได้ครบสมบูลเท่าไรท่านก็นไม่ได้ตัดไ้นอกนั่นตั้งแต่สูตรที่สองสามัญญผลไปจนตั้งสุดท้ายเลยยืนยันเลยว่าเป็นขั้นอริยะ แต่ใช้คําว่าอาริยะแต่ว่าอาตมาขอใช้คําว่าอาริยะนะความหมายเป็นความประเสริฐหรือคนประเสริฐเดี๋ยวนี้คนประเสริฐมันก็มีนัยยะที่ต่างกันมีความแปลกแยกไปคนละอย่างคนละอันไปบ้างอาตมาก็เลยต้องขอแปลกแยกมาเป็นอาริยะเพราะมันไม่ใช่เชิงอาระยะอาระยะ แล้วก็ไม่ใช่ช อ, อริยะไม่ใช่อาริยะแล้วก็ไม่ใช่อริยะอัตมาก็เลยเอาสองอันมารวมกันเลยเป็นอาริยะเลยนะซึ่งก็ตรงกับคาเดิมที่เป็นนะภาษีอาริยะเนี่ยภาษีอาศีอริยะเนี่ยก็ชัดเจนนะเพราะอาริยะนี่แหละ เป็นเครื่องหมายที่เป็นเครื่องชีบงช้บ่งชี้บ่งชัดเจนว่ามีศีลมีธรรมคือมันเป็นพฤติกรรมของคนอริยะเป็นคนประเสริฐ จ, จริงเลยเพราะจะมีศีลจริงไม่จะมีคุณธรรมจริงไม่มันก็มีความประพฤติมีจริยธรรมขึ้นมาจนเห็นได้นอกจากจะเห็นได้แล้วโดยรูปโดยกายกรรม พฤิกรรมข้างนอกที่สัมผัสแล้วก็รู้ได้จะเป็นอริยะจริงๆต้องถึงจิตจะเป็นอริยะจริงๆต้องจิตบรรลุเพราะงั้นไอ้เรื่องจิตบรรลุนี่แหละมันต้องศึกษาแล้วก็ต้องอ่านจิตอ่านใจออกจริงๆแล้วว่าจิตของเราเนี่ยบรรลุหรือไม่บรรลุของแต่ละคนจะกดข่มเฉยๆก็ได้ได้นานเหมือนกัน แต่จะต้องมีปัญญามีอธิ ป, ปัญญาก็ยืนยันพิสูจน์กันไปนันป่นเป็นสิ่งที่รู้ได้ยากเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องยืนยันความจริงกันด้วยพฤติกรรมที่จริงนั้นอาศัยการเวลาและพฤติกรรมนั้นยืนยันแต่ยืนยันได้ตรงกับหลักฐานแล้วว่าการเวลาและก็คนจริงของตัวเองถึงจะอยู่ไปก็ค่อยๆพูดกันไปก็จะเข้าใจ ก็จะมารู้รู้กันบอกกันบ้างไม่บอกก็พอรู้กันจริงยืนยันกันได้อย่างนี้เป็นต้นนะในความหมายที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสในพระไตรปิฎกเล่มเก้าที่บอกว่าเป็นอริยศีลอริยะเป็นอริยะอินทรีย์เป็นอริย ะ, ยะสติเป็นอริยะสันโดษเป็นอริยะ นะอริยสีนี้การประพฤติปฏิบัติธรรมของพระเจ้าเป็นยังไงเรียกว่าประพฤติอย่างวิชาจรณะหรือจะเรียกไตรศึกขาก็ได้วิชาจรณะก็ได้ในพัฒน์ปีเราเริ่มก้าเนี่ยเป็นวิธีการการปฏิบัติธรรมการศึกษาของพุทธหมดเลยนะมีศีลขึ้นก่อนแล้วถ้าเกิดสํารวมอินทรียนะ์แล้วกิสํารวมอินทรีย์ก็มีบอกไปละรายละเอียดนะก็เข้าหลัก จารณะสิท่านก็บอกยืนยันอยู่ในท่านตรัสไว้ตรงๆเลยในอภัตสูต ร, รหรือไงเนี่ยอาตมาจำไม่แม่นนักที่ยืนยันว่าเป็นจารณะสนะิเป็นจารณะวิชาจารณะสัมปันโนวิชาจาระดูไม่จะอยู่นอภัตสูต ร, รนะก็ยืนยันนะการปฏิบัติแล้วก็เกิดฌานเกิดสมาธิ ก็อยู่ในนั้นอธิบายเป็นเนื้อความถ้าไม่ได้ระบุเป็นชีว่อธิบายว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างงี้แต่ถ้าค่อยๆ อ, อ, อธิบายไล่ไปก็คือเป็นฌานเป็นสมาธิฌานหนึ่งสองสสอะไรอย่างนี้ท้ง ก, ก, ก็มีอยู่ในนั้นทั้งหมดนในพระไตรปิกเล่มเก้าเนี่ยตรสูตตรสูต ร, ตตรอย่างนั้นทั้งนั้นนะและการถ้าเผื่อว่าเข้าใจดี ก็จะเห็นความสัมพันธ์ของศีลสํารุปอินทรีย์มีสติสัพชัญญาแล้วก็ปฏิบัติลดละไปจนกรทั้งสันโดษนะสันโดษจะต้องเข้าใจสภาวะทรมความสันโดษที่แท้จริงท่านกํากับคําว่าอ า, อาริยะทั้งหมดกํากับอาริยะทั้งหมดทั้งศีลทั้งสํารุปอินทรีย์เพราะการปฏิบัติรรม คนที่เขาปฏิบัติศีลไม่เป็นอริยะเยอะไปไม่เข้าขันอริยะปฏิบัติธรมรมสําูรณ์มีศีลเขก็สมบรวมสติสัพพัญญาเขาก็ทำมีสติโอเยอะนะสำนักหลายสํานักเด่นทางสติแต่มันไม่เข้าแกน่นเข้าแกนของอริยะตรงไหนมันไม่เป็นอริยะตรงที่มันไม่ถึงจิตเจตสิก แล้วก็ทำให้กิเลสลดหรือมันทำให้เกิดพลสังโยชน์ซึ่งเป็นเครื่องชีวิตที่ขัดการเข้าเป็นอริยบุคคลอริยบุคคลโสดาสกิทาโสดาปฏิมักปัญจนเรื่อยๆมันไม่เข้ามันไม่เข้าสู่สังโยชน์มันไม่รู้จักสักกายะอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วมันก็ปฏิบัติให้ลดกิเลสไม่ได้ไม่ไม่จริง มันก็เลยไม่เป็นอริยะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องมาศึกษากันมาเรียนรู้กันอย่างในสังคมชุมชนชาวอาโศกเราเนี่ยพูดไปแล้วก็ให้ทุกคนเช็คตัวเองบางทีก็พูดจาประไซคุยกันโอภาเพล้มก็จะรู้ว่าอ๋อเราเข้าถึงสังโยชน์ไหมจับสักกายะได้ไหมลดละกิเลสได้ไหมและแต่ละคนนิสวจมินทรีซียังไง มีหลักอปณกกับปฏิปทาสามไหมสำรบมอิทรโพชฌนะมัยมตยุตาชาคริยานุโยคะหลักอื่นๆละต่างๆนั้นหลายหลักมากมายที่มันเข้าเข้าหลักเข้าเกณฑ์ว่ามันต้องได้ผลตรงไปตามหลักต่างๆเพราะการปฏิบัติธรรมของพระเจ้าจะเป็นชุมชนเข้มแข็งได้ต้องเข้าขัน้นเป็นชุมชนอารยบุคคล พูดแล้วเหมือนคุยตัวคุยตนยกตัวยก ต, ยกตนนั้นเนี่ยพูดแล้วเป็นอย่างนั้ น, นทีนี้อาริยะหรืออาริยะหรืออารยะที่เขาใช้กันทั่วไปเนี่ยหรือภาษาฝรั่งว่า i ีวิ i ลซ์เนี่ยซ i วิไ i เซเเป็นความเจริญคนเจริญคนประเสริฐเนี่ยความ ม, มุ่งหมายเดียวกันน่ะความเจริญ c i v i l i z เ t i o n เหมือนพุ่งไม้เหมือนกันหมดทั้งโลกแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนเจริญคนประเสริฐจริงๆเป็นคนเช่นไรอันนี้สิเราก็มานิยามของเราว่าคนประเสริฐจริงๆต้องเป็นคนมีศีลคนมีคุณธรรมและคนเป็นอริยะนี่แหละคนซีว i ล i z e ์จริงๆเจริญจริงๆ และเจริญที่ว่านี้เนี่ยมันเป็นเจริญที่ตรงกันข้ามกันกับที่โลกเขาเขาใจที่โลกเขามุ่งมั่นกันเขาบอกจะต้องรวยจะต้องมีอํานาจบาดใหอะไรไปเงนเจริญเจริญทางวัตถุเจริญทางรู้ร้าฟู่ฟ้าคมเบงโอโหเป็ น, อ, ปนอะไรอ เป็นเจ้าเป็นนายเป็นใหญ่เป็นโตเป็นอะไรต้นดำเป็นรวยอะไรต่า ง, างๆนานามันก็เลยไปกันใหญ่เลยโดยแนวลึกจริงๆของสังคมมนุษยชาตินั้นการที่จะมุ่งไปแข็งรวยเนี่ย ถ้าใช้ปฏิพานนิดเดียวไม่ต้องไปใช้ปฏิพาณความเฉลียวฉลาดนึกซึ้งอะไรก็ได้การทุกแข่งรวยกันก็คือแย่งจากคนอื่นมาให้เราได้มากๆใช่ไหมเออแล้วมันสุขไหมมันสงบดีไหมแล้วเรียกว่าสังคมเจริญได้ยังไงสังคมไม่สงบสังคมไม่เป็นสุขสังคมแย่งชิง เพรางั้นความเจริญจริงๆมันก็เป็นสังคมที่ไม่แย่งชิงเป็นสังคมที่เกื้อกูลช่วยเหลือเฟื้อฟาซึ่งเขาก็พอรู้ว่าปฏิพานอันนี้ก็พอรู้เพราะนั้นพวที่มีอำนาจบาดใหญ่เป็นประเทศที่มีมหาอำนาจอะไรเนี่ยโอ้ยททีเป็นช่วยเจ้านั้นเจ้านี่เจ้านน้นเกื้อเฟื้อเจอจารเกื้อกูลนะแต่ก็เต็มไปด้วยอนาจบาตใหญ่เสสระ ท, ที่ไม่จริง ช่วยเหลือที่ไม่จริงไม่สะอาดบริสุทธิ์ช่วยต้องมีท่าทีเลทใดว่าเขาจะต้องเห็นว่าต้องได้ประโยชน์อันนั้นอันนี้จึงจะช่วยถ้าไม่ได้ประโยชน์อันนั้นอันนี้จริ ง, รงๆไม่ช่วยมันมีนัยยะซับซ้อนที่ยอะยะมากเ น, นี่ยตมาวิเคราะห์ตามที่อาตมาเข้าใจนะผิดถูกยังไงก็คนอื่นจะเห็นมันก็เห็นค้านกันได้เห็นแยงกันได้ แต่อาตมาเห็นอย่างเงินก็พูดไปตามจริงประเด็นที่อาตมาเห็นว่ามันจริงที่อาตมามั่นใจก็คือก็มันแย่งกันนะมันแย่งกันจะรวยอ่ะก็ประเด็นอย่างนี้ชัดๆอยู่แล้วมันสงบได้ไงอ่ะมันแย่งกันจะรวยทีนี้คนไม่แย่งกันรวยแต่แย่งกันที่จะมาจนเอาสัดสัดเลยเขาเป้า่า ยักันมาจนยั่งกันที่จะอยู่อย่างไมเป็นคนที่ไม่ต้องเปสะสมจนคืออะไรจนคือไม่มีสมบัติมากไม่ต้องมีทรัพย์สินมากแต่อยู่ได้ไม่อยู่ได้อย่างดีราบรื่นด้วยอย่างสังคมชาวโซโรนี่รเราพิสูจน์แล้วเราพิสูจน์เนี่ยแม่เรานี่มันเป็นประเทศไทยที่เป็นประเทศที่มีบุญนะ ที่มีพระเจ้าอยู่หัวที่เป็นผู้พรีมีพัะปัญญาที่คุณยอดเยี่ยมที่บอกสังคมประเทศมันต้องบริหารกันปกครองกันด้วยแบบคนจนซึ่งมันเป็นคำที่เป็น the great word อ่าเป็น the มันยิ่งใหญ่จริงๆเป็นคำตรัสที่ยิ่งใหญ่มาก แต่คนไม่ค่อยเข้าถึงคนไม่ค่อยเข้าใจว่าแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงเป็นสังคมคนจนแล้วจะอยู่ยังไงเขาคิดคิดไม่ไม่ออกมันไม่น่าเป็นไปได้เออชาวาโสมเราเป็นไปได้ไหมพวกคุณแต่ละคนแต่ละคนนี่มาอยู่ในชาวาโสวมาเป็นสมาชิกชาวาโสวจะรู้ดีว่า มันไม่ได้มีท่าทีว่าเราจะไปหารวยเลยมีแต่จะหมดเนื้อหมดตัวแล้วก็ทุกคนก็เข้าใจแล้วก็ตั้งใจจริงที่จะเป็นเป็นแต่เพียงว่ามันจนไม่ค่อยลงเท่านั้นเองไม่ยอมจนมาจริงเร่านั้นเองมันก็ะิดกรเมียนไว้บังแต่ผู้ที่เข้าใจแล้วก็ถึงฐานถึงจิตจริงๆเขาจริงๆพวกเรามีจริงพวกเราเนี่ยจนถือกันก็ไม่ได้ไปติดใจอะไรเงินทองก็ไม่ต้องสะสมจริงๆ ผ่านมือมาผ่านมือไปก็ใช้มือก็ช้อนกระชามก็โต๊ะกระเก้าอี้ก็เข้าของที่มันต้องใช้ตามหน้าที่ตามกาละของมันผู้ที่ดูใจตัวเองที่ผู้ที่เห็นผู้ที่รู้จริงเห็นจริงเรามีอาการอย่างนั้นอยู่ไม่ได้ห่วงงงงงแหนมีแต่เพียงว่าเอออย่าให้มันไปฟุ่มเฟือยอย่าให้มันไปผิดให้มันควรจะได้ค่าของมันสมควรแก่ฐานนะสมควรแก่การใช้สอยสมควรแก่การผ่านไปตรงนั้นผ่านไปตรงนี้ก็เป็นประโยชน์บ้าง ก็ตอนนั้นเองอาจจะต้องห่วงให้แหนห่วงหห่วงหหน่อยอยู่แค่นั้นแต่จะยึดเป็นเราเป็นของเราเป็นอะไรมันก็ไม่ค่อยเหมือนก่อนแต่ก่อนนี้มันอยากได้เป็นเราเป็นของเรากรอบกองไว้แล้วก็จะออกดอกออกผลอะไรใช่ไหมกองโตตัวอะไรตัวอะไรก็ยิ่งชื่นชมยินดีแต่ทุกวันนี้เราไม่มีจิตเป็นอย่างนั้นนี่เป็นเรื่องพิสูจน์ยืนยันภาวะจริงได้เป็นคนเจริญ เป็นสังคมที่เป็นเช่นที่ว่านี่แหละมันเข้าใจยากว่าเป็นสังคมที่เข้มแข็งเพราะเขาต้องเข้มแข็งเขาต้องมีทุนเป็นก้อนใหญ่จึงจะเป็นสังคมชุมชนของเขาสังคมเขาจะจะเข้มแข็งก็ต้องมีเงินทุนใหญ่มากแล้วก็ให้คนกู้ให้คนยืมเป็นอำนาจบาทใหญ่การมีเงินก้อนแล้วได้เป็นเจ้านี่เนี่ย มีเงินแล้วก็มีก้อนแล้วก็เป็นเจ้านี่นี่ยเป็นอำนาจบาทใหญ่นะเป็นอำนาจบาทใหญ่นะเป็นเจ้าบุญเจ้าคุณนอกจากเจ้าบุญเจ้าคุณแล้วก็จเจ้าฤทธิ์เจ้าเดช ด, ด้วยมีได้มีเอเดชด้วยเอาเอาคืนเมื่อไรแล้วก็โดยใช้กดกดหัวได้อะใช้กดหัวลูกหนีได้อะเจ้านี้เนี่ย โลกียะมันเป็นอำนาจอย่างนั้นนะแต่พวกเราเนี่ยไม่ได้ใช้วิธีนี้เลยแม้เราจะหาได้มากแม้เราจะมีรายได้เพิ่มมีแม้เราจะมีัอยู่มากสัพัดออกไปแจกจ่ายจิวจานเกือ้อกูลเราไม่เคยไปใช้เงินเป็นอำนาจเลยใช่ไหมและเป็นชมุมชนที่เข้มแข็งชมุมชนที่อ่อนแอก็ต้องใช้อะไรเป็นอำนาจค้ำจุนตัเอง ใช้เงินเป็นอำนาจใช้อาวุธเป็นอำนาจใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่เป็นอำนาจกันแล้วแต่นั่นคือคนอ่อนแอต้องอาศัยเงินอาศัยอาวุธอาศัยอำนาจทั้งโลกอย่างนั้นอย่างนี้นั่นคือคนอ่อนแอแต่ถ้าคนแข็งแรงจริงๆแล้วหรือสังคมที่แข็งแรงจริงๆแล้วไม่ต้องสร้างอำนาจนี้ให้แกสังคมไม่ต้องสร้างอำนาจนี้ให้แกตัวเองเลย ฟังดีๆนะฟังให้เข้าใจนี่เรื่องเรื่องสัจจะ็นสังคมศาสตร์ที่เป็นมีสัจจะแท้ๆมันเป็นอย่างนี้นะและสังคมของพวกเราเนี่ยชาวอโศกเนี่ยปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าแล้วได้แบบนี้จะได้คุณธรรมแบบนี้จะได้อารียรธรรมแบบนี้นี่คือลักษณะของชุมชนแข้มแข็งค้อที่หนึ่งที่มีอารียรธรรม เป็นอารยธรรมแท้ๆอย่างนี้ซึ่งบทวนกระแสมัน ม, มันเกินข้อคนจะคิดเทตามาขายข้อสุดท้ายที่บอกว่าคนที่อ่อนแอต้องใช้อํานาจเงินต้องมีเงินไปเทิดเด็กเบ่งคมไปเป็นเจ้าหนี้ไว้แม้จะเป็นเจ้าหนี้ในเชิงที่บอกว่าฉันเป็นคนให้ฉันเป็นคนเสียสละฉันเป็นคนบริจาค ก็เป็นอานาจเจ้านี่ชนิดหนึ่งแฝ ง, งไว้ในความรู้สึกความรู้สึกของคนบุญคุณเป็นเจ้าบุญเจ้าคนเป็นการสร้างอานาจชนิดหนึ่งแต่พวกเราอย่าไปสร้างจิตแบบนั้นเป็นอันขาดแลวพวกเราก็ไม่ได้ทำก็เกื้อกูลเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนโลกที่จะเกื้อกูลอันโคนช่วยช่วยเหลือเกื้อกูลกันไป ตามความเป็นจริงสมเหมาะสมควรไม่ได้คิดไปเป็นเจ้าบุญเจ้าคุณไปเป็นผู้มีอำนาจเพราะเราได้ช่วยเขาต้องพยายามฟังดีแล้วก็ตั้งใจทำใจในใจโยนโรนิโสมนสิการทำใจในใจให้มันตรงกับสัจจะพวกนี้อย่าไปทำใจในใจแบบนั้นมันไม่เจริญนะ มันไม่เจริญมันเป็นอัตามานะมันเป็นกิเลสมันไม่ไม่ได้ดีงามอะไรเพราะงั้นถ้าเผือว่าเราเข้าใจไปเรื่อยๆอย่างที่ว่านี่เราก็ไปพุทธปฏิบัติจริงๆทุกวันนี้อาตมาก็เห็นแล้วว่าชาวโงกเราเนี่ยเป็นชุมชนที่เข้มแข็งถ้ายิ่งเข้าใจชัดเจนแล้วก็ ยิ่งจะแน่นยิ่งจะมั่นคงยิ่งจะแข็งแรงนะนี่เป็นรูปลักษณะที่ต้องเอาชาวาโศกเป็นตัวยืนยันก็เพราะว่ามันเป็นตัวอย่างมันทำได้แล้วพ่านใครสงสัยมันไม่เข้าใจก็มาดูของจริงได้เอหิปัสโกจะเรียกว่าท้าทายให้มาพิสูจน์ท้าทายให้มาดูก็ใช่นะเอฮปัสโกมาดูได้ ข้อสองเป็นสังคมที่สามารถพึ่งตนเองได้ไม่เป็นภาระผู้อื่นอันนี้มันยืนยันชัดเจนเลยชุมชนที่เข้มแข็งเนี่ยเป็นชุมชนที่พึ่งตนเองได้แม้ไม่รวยไม่เป็นหนี้ใครพึ่งตนเองรอดไม่ไปเบียดเบียนใครมีแต่ให้คนอื่นพึ่งถ้าว่าไปแล้วให้เป็น ให้คนอื่นพึ่งได้เด้อซ้ำสำหรับตนเองไม่ต้อง ไ, ไม่เบียดเบียนใครไม่ไปทำให้คนไหนเขาลำบากลำบนนะโดยเฉพาะในเรื่องความเป็นอยู่ในเรื่องอุ ป, ปโภคบริโภคนะในเรื่องอุ ป, ปโภคบริโภคหรือแม้แต่จะช่วยเหลืออะไรอื่นอื่นอีก คนอื่นเราก็ช่วยได้เพราะได้พึ่งตนเองได้แล้วเราไม่ต้องเบียดเบียนใครแล้วเป็นต้นยกตัวอย่างเป็นรูปธรรม ช, ชัดเลยเราถูกน้ำท่วมเดือดร้อนกันไปทั้งบางแต่อโศกไม่มีปัญหาพึ่งตนเองรอด ยังเกือ้อกูลผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นในเรื่องนั้นเรื่องนี้หลายหายอย่างยางงี้เป็นต้นพูดแล้วเหมือนกะยกอ้างบุญอ้างคุณไปทวงบุญทวงคุณกับคนอื่นไม่ใช่หรอกตอนนี้เราเป็นการศึกษาเป็นการทีท่ีแจงเป็นการพูดอธิบายสาธยายถึงเรื่องสาระสาระของวิชาการไม่ได้หมายความว่าพูดเอาบุญเอาคุณพูดทวง บุญทวงคุณยกตัวยกตนอะไรมันไม่ใช่เป็นเรื่องจริงจะได้เข้าใจง่ายๆว่าพฤติกรรมของคนพฤติกรรมของสังคมมันเป็นเช่นนี้นะพึ่งตนเองรอดจะพึ่งตนเองรอดก็ต้องมีความรู้ความสามารถจะต้องขยั น, นมีสมาธิมีสมากรรมมันตะไม่ใช่งอมืองอเท้า หนีไม่หลบหลบลลี่ลี่ขี้เกียจขี้คร้านอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่แล้วก็ไ ม, ไม่ไม่สนใจถึงสมรรถนะความสามารถที่จะรังสรรค์ทำงานทําการหรือทําอาชีพต่างๆเพราะศาสนาไม่ได้สอนให้คนหยุดอาชีพบอกปฏิบรรัติทำแล้วก็หนีไปหยุดไม่ใช่ไม่หนีไปหยุดเลยแล้วมันหนีไปหยุดมันจะพึ่งตนเองได้ยังไง นี้ไม่หยุดไม่ทํางานบอกไปอะไรไปปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติธรรมอะไรไปนั่งสมาธิไปถือศีลพอบอกไปปฏิบัติธรรมอย่างนั้นนะ่ะไปไม่ทํางานแนละ้วไม่เอาเรื่องแ ง, งานถือศีลเดินจงกรมนั่งสมาธิและอยู่อย่างงั้นนะ่ยไม่ได้ทํางานทําการอะไรเลย ซึ่งประเด็นนี้อาตมาเห็นว่ามันตกมันเป็นเรื่องนอกรีดของพระพุทธเจ้าที่ไกลลิบเลยเพราะปฏิบัติธรรมแล้วสังกปะวาจากรรมมันตาอาชีวะโยนทิ้งเลยแม้แต่ความคิดสังกปะเขาก็ไม่ให้คิดนะนั่งให้ส ง, งบเงยียบไม่คิดอย่าอาจิตออกนอกตัวนน มันโอ้โหมันตรงเงินข้ามกับหลักทางอันเอกของพระพุทธเจ้าเลยมรรคองแปดมันคนละเรื่องเลยเพราะฉะนั้นคนปฏิบัติอย่างนั้นไม่มีทางจะอัตติอัตโนนาโทไม่มีทางจะพึ่งตนเองได้ต้องอาศัยผู้อื่นต้องพึ่งผู้อื่นตลอดเวลานะ ต้องพึ่งผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาต้องอาศัยจากผู้อื่นทั้งนั้นอันนี้แหละพระบาลีตัวสำคัญนะพระบาลีตัวสำคัญอันนี้คือคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วจะเป็นแบบนี้เนี่ยพระบาลีตัวสำคัญนั้นคือปรัตตจูชีวกระเปรตนี่แหละปฏิบัติธรรมเป็นเปรตตัวนี้ เปรตที่จะต้องพึ่งผู้อื่นถึงจะมีชีวิตอยู่ได้ปรทัตตุชีวะกะเปรตเนี่ยต่างกันกับปรัปติพ ธ, ธาเมชีวิกาปรทัตตุชีวกะกับปรัปติพ ธ, ธาเมชีวิกาพยัญชนะนคล้ายคล้ากันนะ ประปฏิปทาเมชีวิกาซึ่งจะแปลเป็นภาษาไทยว่าชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นเกื้อกูลกันอยู่อย่างที่มีคุณค่าต่อกันและกันอย่างแท้จริงมีประโยชน์ต่อกันและกันอย่างแท้จริงแล้วผู้ที่มีคุณค่าประโยชน์มากกว่านั้นนะ่ะได้รับเขาเคารพนับถือจริงและมีความมีคุณค่ามากกว่าจริง ส่วนผู้ที่เป็นปรทัตตุชีวกะเปรตนั้นไม่มีคุณค่ามากกว่าแต่อาศัยผู้อื่นเกาะผู้อื่นกินมีจำนวนโพธิรักแปลปรทัตตุชีวกะเปร์ปริสตตุชีวกะชีวชีปรุตตุปชีวีปริปริปรัตตุปชีวีนะคู่เคียงกันกับปรัตตุชีปรัปรัตฏิปทาเมชีวิกา เพราะผู้ที่ทำให้จิตวิญญาณจนกระทั่งเจริญเป็นอริยะเจริญจนกระทั่งเป็นผู้ที่มีพระหุชนาหิตายะพุชธนสุขายะโลกานุกรรมปายะมากหรือน้อยก็ตามแต่มีจริงผู้อื่นจึงเลี้ยงไว้ผู้อื่นจึงอนุเคราะห์ด้วยความศรัทธาเลื่อมใสที่แท้จริงเพราะเป็นคนมีคุณค่าประโยชน์ แท้จริงในสังคมท่านพึ่งตนเองได้จริงเหลือแล้วก็ช่วยผู้อื่นต่าง ก, กันกับประทัตตูชีประปรััตตูชีปรัชตชีวีประทัตทตูปชี ว, ตชวีต่างกันพรางคนค็ไม่เข้าใจถึงเรื่อง สัตว์เปรตสัตว์นรกพวกนี้ huh. ก็ไปแปลว่าเนี่ยแหละเป็นผู้ที่ได้ส่วนบุญรับส่วนบุญเป็นผู้ที่เป็นเปรตที่ได้รับส่วนบุญมีมีสิทธิ์ได้รับส่วนบุญก็คือปรทัตตตูปชีวีปรัตตตูชีวิกเปรตเนี่ยเปรตชนิดนี้เท่านั้นนะที่ได้รับผู้อื่นอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ปรัตตตูเงี้ยผู้นี้แหละปรัตตตูชีวิคปรัตตตูปชีวีเนี่ยได้รับส่วนบุญถึงจะได้รับ เปตอื่นๆไม่ได้รับว่างั้นไปแปลเอาตามพยัญชนะว่าปรัตตุชีวีเนี่ยปรัตตุประชีวีเนี่ยหรือปรัตตุชีวิกเปตเนี่ยเนี่ยเปตชนิดนี้เท่านั้นอาจจะรับส่วนบุญจากผู้อื่นต้องอาศัยผู้อื่นเลี้ยงชีพว่างั้นแปลว่างั้นซึ่งจริงๆแล้วปรัต ป, ปฏิปัตฐานในชีวิกาก็อาศัยผู้อื่นเลี้ยงชีพนะชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นแต่มันคนละมุมเลยมันคนละมุม อันหนึ่งมุมที่เป็นผู้ที่ต้องเคารพยกย่องเชิดชูบูชามีคุณค่าที่แท้จริงส่วนปรารถตุชีวะปราธตูปชีวีเนี่ยหรือประรธตูชีวตกเพดเนี่ยเป็นเปลืแท้เป็นขอส่วนบุญก็กินที่จริงไม่ใช่ส่วนบุญอกส่วนอาศัยกินอาศัยใช้ไม่ใช่บุญคำว่าบุญมันไม่ใช่เลยนะ นี่ก็ไขความความจริงที่มันพูดกันผิดผิดถูกๆเรื่องปรัปรัตตูปัจชีวีกับปรัปฏิปัฏฐาเมจีวิกานะก็เขาไม่ได้เอามาคู่กันหรอกอาตมานี่แหละเข้าใจและรู้เอามาคู่กันไว้ว่าชีวิตของคนที่เลี้ยงชีพอยู่เนี่ยปรัตตูปัจชีวีก็ตามคือมีชีวิตที่อยู่ของอาศัยผู้อื่นให้ผู้อื่นช่วยไว้กับปรัตตุ ปรัปฏิพัฒนาไม่ใช่ประตูปรัปฏิพัฒนาเมชีวิกาก็อาศัยผู้อื่นเหมือนกันแต่มันคนลนัยยะสําคัญห็นไต้องเข้าใจดีเพราะงั้นผู้ที่พึ่งตนเองรอดจนก็ทั้งมีคุณค่าต่อผู้อื่นได้เป็นปรัปฏิพัฒนาเมชีวิกาส่วนผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติตนจนกระทั่งพึ่งตนเองรอดมีแต่เกาะเขากิน ต้องสูนให้ชัดๆเป็นจำนวนไทยอาศัยผู้อื่นกินอยู่ไปในชีวิตนั่นคือปรัตตุปรัตตปัีวีหรือปรัตตุปัจจีวิชีวะกเะเพดเพราะผู้ปฏิบัติทำผิดทางจะกลายเป็นเปรตชนิดนี้พอพูดเข้าใจแล้วเห็นไหมเห็นเปรตชนิดนี้มั้งไหมเยอะ เย อ, อัตมาไม่ได้ไปพูดไปว่านะที่พูดนี่ไม่ได้ไปลงโทษไม่ได้ไปว่าแต่อธิบายธรรมะสาธยายวิชาการสัจธรรมสู่ฟังนะที่พูดเนี่ยพระนันผู้ใดเข้าใจและรู้ตัวว่าโอ้เราจริงๆ ม, มีชีวิตเป็นปรัตตูปชีวีเวยอเนี่ยามาเป็นเปรตหากินอยู่ในชีวิต อาศัยสังคมกินอยู่อย่างนี้เองหรือว่าเรามีคุณค่าจริงๆเพียงพอในสังคมจริงให้เขาทําบุญกับเรามาข้อไปไม่ใช่ทาบุญทําทานบริจาคภาษาไทยมันเสียเรอาอาตมาก็ต้องพลอยหลงพูดเพลินติดไปกับเขาภาษามันใช้ผิดมามานานทําบุญมันไม่ได้เป็นทําบุญนะแหละมาทําทานบริจาคอาศัยเขาบริจาคอาศัยเขาทาทานให้เรา กินใช้ไปโดยที่เราเองไม่ได้เป็นคนมักน้อยเป็นคนสนโดดแล้วก็เป็นคนทำงานเหลือเกินพอคุ้มเป็นคุณค่าที่เหนือชั้นกว่าจริงๆจึ ง, จงได้รับการเคารพการอุ้มชูไว้แล้วท่านก็ไม่เอาเพราะท่านก็มักน้อยสนโ ด, ดจริงแล้วก็ทำงานคุ้มเกินจริงๆที่มันต่างกัน ตะพกทิ่ปฏิบัติผิดไม่เอาทานไม่อะไรแล้วนั่งคอยรับเขาบริจาคเขาให้แล้วก็ทำไปงุบงุบงีบเไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรทางสังคมไม่ได้มีอะไรความรู้ความเข้าใจไม่มีสมรรถนะไม่มีความรู้ความสามารถไม่มีสังกปะวาจากรรมมันตะไม่มีกรรมมันตะไม่มีอาชีวะอะไรที่จะเป็นงานการที่เลี้ยงชีพก็พึ่งตนเองรอดคิดค่าทางเศรษฐกิจแล้วคุ้มตนเองเหือ แล้วดีด้วยเป็นเป็นคุณค่าที่เราเองทำงานเนี่ยมันมีคุณค่าในการงานในแรงงานในความคิดในประโยชน์ที่เราให้แก่มนุษยชาติใแก่สังคมเนี่ยตีราคาแล้วมันเป็นจะยิงไปตีราคาทางลึกซึ้งทางเศรษฐศาสตร์นะทางดีมานซับพลายและทางอารยธรรมด้วยโอ้มันสูงมาก เช่นสังคมทุกวันนี้เราต้องการคนกิเลสน้อยต้องการคนที่เห็นแก่ตัวน้อยและกิเลสน้อยเห็นแก่ตัวน้อยเนี่ยเป็นคนเห็นแก่ตัวน้อยนีย่มันย้อนแยกมากเลยคนที่มักน้อยสันโดษอย่างรุสีหรือว่าพวกที่ออกป่าเขาทำไปที่เขาปฏิบัติธรรมที่ออกป่าไปมักน้อยสันโดษเงียบนั่นนะ เขาบอกว่าเขาไม่เห็นแก่ตัวเพราะเขาไม่ได้ร่ารานเขาไม่ได้มาแย่งชิงสังคมเลยแต่เขาเห็นแก่ตัวจัดจนกระทั่งหมดเนื้อหมดตัวเลยดิง่งไม่เอาความรู้ไม่เอาคำกริยาไม่เอาการงานไม่เอานิ่งหยุดเอาแต่กินกันนอนกันขี้กันเยี่ยวให้ผ่านเวลาไปถึงวันตายนี่มีเยอะเลยอยู่ในเมืองอินเดียตอนเนี้ย เมืองไทยก็เอาอย่างเขามากขึ้นมากขึ้นเป็นอย่างเงี้ยแล้วไปเรียกตัวเองว่าเป็นพระกรรมฐานเป็นพระทุ ด, ดงเป็นพระอะไรนี่โอ้ยเงียบสงบมากหน้อยไม่เกี่ยวกับใครใครไม่เห็นได้ไง่ายๆอะไรก็แล้วแต่หนีความเป็นสังคมนี้ความเป็นการงานนี้ความเป็นสมรรถนะนี้ความสามารถอาศัยเขากินเขาอยู่ท่านั้น เทตมาพูดนี่เป็นวิชาการเป็นสัจธรรมของวิชาศาสนาที่ลึกซึ้งเป็นศาสตร์ทางศาสนานด้วยความจริงใจด้วยความรู้ที่พูดความจริงขึ้นมาใครจะเข้าใจหรือใครจะรู้สึกสะกิดใจสำนึกนพูดไปนี่มันก็ เกิดความกระตุ้นความสำนึกบ้างก็ดีแต่มันไม่ก็แล้วไปแักธก็ต้องพูดความจริงนี้สรุปแล้วคนที่พึ่งตนเองได้นั้นคือคนที่มีสมรรถนะมีความสามารถแล้วตีราคาผลงานตีราคาคุณค่าของงานหรือการกระทำ มันสูงค่าเกินตนเองกินตนเองใช้มากราคาทางโลกีเขาเนี่ยเขาก็ตีราคาขน้คนนี้มีความรู้ความสามารถสูงตีราคาให้เท่า น, นั้นตอนนี้ซึ่งเป็นการตีราคาที่สูงนะเอาความนิยมเอาความอะไรก็ไม่รู้ยกองย่องเฉิดชูทางสังคมแม้แต่ความนิยมทางสังคมแบบ โฆษณาเด่นดังราคาก็แพงอบายมุกแท้ๆเลยก็แพงเนี่ยคนมันไม่ก็ฉลาดกันให้ค่าให้ราคาให้เงินเพราะถ้าไปคิดถึงคุณค่าประโยชน์คุณค่าซึ่งซ้อนไปในเรื่องของอุปสงค์อุปทานไปในเรื่องของดีมานด์สัปพลายในเรื่องของความต้องการจำเป็นของสังคมคนชนิดนี้ ทำงานอย่างเนี่ยอย่างเนียยกตัวอย่างง่ายที่สุดเลยที่เราง่ายแต่คนอื่นเขายากคนอื่นเฟังลเมื่อไรเขายากเช่ น, นสังคมต้องการคนมาจนใครมาจนได้จริงๆแล้วจนแล้วแต่มีสมรรถนะมีความรู้ความสามารถเขายั่นมันเพียรทำงานในสังคมได้มากมากแต่ตนเองจนจนจน ซึ้งพวกมีปฏิบาลเข้าใจหมดประธานาธิบดีของประเทศอะไระจนที่สุดนะฮะบรูไกอะไรดังทั่วโลกเข้าใจกันทั้งนั้นนะใครก็ต้องการคนอย่างนี้คนมาจนเนี่ยยิ่งใหญ่ยิ่งจนจนเนี่ยเข้าใจกันนะไม่จะ่ไม่เข้าใจปฏิพานรู้กันนะ เป็นความต้องการคนชนิดนี้ในโลกในสังคมเพราะงั้นถ้าบอกว่าทำได้จริงสังคมสุขเย็นสังคมประเสริฐสังคมอยู่รอดเป็นคนมีความรู้ความสามารถแต่ทำงานอยู่ในสังคมมีประโยชน์ต่อสังคมแต่ตัวเองไม่เอาเพราะทุกอย่างระสพัดให้สังคมหมดคุณค่าต่างๆให้สังคมหมดตัวเองไม่เอา แต่เขาจะให้มันเป็นจริงผู้ใดทำแล้วมันก็เป็นจริงโดยกรรมโดยกิริยาแล้วโดยกรรมมันเป็นแล้วเพราะจะมาวัดด้วยตาแหน่งหน้าที่จะมาวัดด้วยวัตถุเบอยืนเป็นเครื่องยืนยันประกอบไม่ต้องไม่ต้องเลยนี่คือความลึกซึ้งซับซ้อน ยตัวอย่างง่ายพอเราฟังเข้าใจทันทีแต่ข้างนอกเขาจะฟังยากเขาจะไม่เข้าใจเป็นยังไงเพราะฉะนั้นอาตมาถึงบอกว่าโอ้โหเมืองไทยนี่เป็นเมืองบุญจริงๆเราเป็นเมืองที่ประเสริฐเป็นเมืองที่มีบา ร, รมีมากเลยที่มีพระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสบอกวิธีการการบริหารปกครองประเทศเอาแบบคนจนเนี่ย มันเป็นคําที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่อเมื่อไรจะเข้าใจเมื่อไรจะเอาอันนี้มาวิจัยแล้วก็มาปฏิบัติมาประพฤติมาแพทย์เป็นการศึกษาของประเทศและปฏิบัติให้จริงได้เมื่อไรมีสุดยอดคนประเสริฐอริยะหรืออัจฉริยะสุดยอดมาตรัสให้บอกให้แล้วแต่นักศึกษานักรู้ผู้รู้ปรารถนทั้งหลายในประเทศ ไม่กระดิกหูเลยมันน่าสงสารประเทศไทยถ้าเป็นประเทศอื่นนะเราลองเดาๆลองเดาเลยเต่าพูดเดาๆถ้าประเทศอื่นจะมีผู้ที่เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ในประเทศะจะเป็นประธานาธิบดีจะเป็นนา ย, ยกจะเป็นพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าแผ่นดินของประเทศจะเป็น ใหญ่ในะเป็นดินหรือว่าเป็นพุทธิอยู่ในฐานนะสูงเงี้ยนะแล้วกล่าวนําอย่างนี้ขึ้นบ้างกล่าวนําอย่างนี้ขึ้นบ้างบอกเอาอย่แต่บริหารประเทศเอาเอาสูตรนี้แหละเอาทฤษฎีนี้แหละมันจะเหมือนประเทศไทยไหมประเทศไทยนี่พระเจ้าอยู่หัวตรัส ลเชยไม่มีอะไรในสายลมถ้าเป็นประเทศอื่นจะเป็นยางไงไหมถ้าพูดที่มนะีผู้คนยิ่งใหญ่ของประเทศนะพูดอย่างนี้บ้างเขาจะกระดิกไหมเขาจะคน้นคว้าเขาจะก้าวหน้าเขาจะเอาไปวิจัยเขาจะเอาไปพัฒนาเขาจะเอาไปดำเนินการไหมถ้าประเทศอื่นนะ่ะ น่าจะนะแต่ทำไมประเทศไทยมันถึงได้บื้อเงียอ้ยอาตมาแลวก็แม่สงสารประเทศไทยจริงๆเอาเถอะไม่มีใครทำเราก็พยายามทำกันแล้ ว, ลวมันจะได้น้อยกระชังมันทำจริงๆเพราะมันเป็นสิ่งที่ดีท ด, ดีที่สุดละนะยอดที่สุดละถ้าเข้าใจได้ มาเป็นคนจนที่พึ่งตนเองได้ได้รู้นันตรัสแล้วแม่วิเศษเราก็รวยพอสมควรเราไม่รวยแต่เราก็รวยพอสมควรภาษาคำนี้ฟังแล้วมันมันไม่ได้มาถล่มตนมันก็มันก็ไม่ได้ไปไปยกย่องตนเองอะไรถล่มก็ไม่ใช่ยกย่องก็ไม่ใช่ เราไม่ได้เป็นประเสศที่ร่ารวยเราก็มีพอสมควรพออยู่ได้อย่างชาวโซนที่เราพูดแล้วก็ฟังได้เลยเราก็มีพอสมควรพออยู่ได้เราก็ไม่ใช่ร่ารวยอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมมันชัดเจนจริงจริง จะ่ได้แต่ว่าในหลวงปางนี้ท่านมาเป็นเตมีใบท่านบำเพ็ญปางเตมีกับปางพระมหาชนกนะสองปางแท้แทสองสองลักษณะนี้แท้แทเลย <c oughs> เพราะงาั้นผู้ที่เข้าใจลึกซึ้งได้ว่าผู้พึ่งตนเองนั่นจะต้องเป็นผู้ทำงาน พึตนเองต้องเป็นผู้ทํางานมีสมรรถนะมีความรู้ความสามารถแล้วมีคุณค่าจริงๆตามสัจจะเลยว่าเป็นผู้ที่ทำได้ถูกต้องตามเศรษฐกิจหรือเศรษฐศาสตร์แท้ของโลกของมนุษย์ชาติเลยไม่ใช่เศรษฐศาสตร์ทุนนิยมไม่ใช่เศรษฐศาสตร์ผิวเผินเศรษฐศาสตร์แห่งสัจจะในความต้องการของสังคมแท้จริง อย่างโลกทุกคนต้องการคนจนอันประเสริฐเนี่ยคนจนมหาสัจจันเนี่ยคนจนที่พึ่งตนเองได้แล้วช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเป็นคนจนมหัสัจจันนี่มันสุดยอด น, นี่ก็สองอัตมาก็ขยายความขึ้นไปเห็นว่าภาวะของความจริงมันลึกซึ้งอย่างนี้คนพึ่งตนเองะแะ้วก็ เป็นคนไม่เป็นภาระผู้อื่นนอกจากให้พระอาตมาแถมให้ด้วยอีกว่าช่วยเหลือผู้อื่นให้ซ้ำนะข้อสามมีงานที่เป็นสัมมาอาชีพมีกิจเป็นสาระที่มั่นคงชาวโสมเริ่มต้นข้อไปที่อาตมาจะงไงยังไงกับนีจากชาวโสกไม่ได้พูดไปพูดมาก็เหมือนได้เอาชาวโสมมาโฆษณาหรือว่าเอาชาวโสมมา หลงตัวหลงตนอะไรก็แล้วแต่เถอะใครจะเข้าใจอย่างนั้นก็ต้องขออภัยที่อาตมาว่าอาตมาไม่เก่งกว่าเนี้ที่อาตมาจําเป็นจะต้องเกาะสิ่งที่ได้มีรูปธรรมแล้วมีความเป็นไปได้แล้วเอามายืนยันเป็นโมเดลในการที่จะหยิบมาอธิบายประกอบการอธิบายเป็นเครื่องอ้างอิงอาตมาไม่เก่งกว่าเนี้ยจะพูดไปโดยภาษาพยัญชนะไม่ต้องไปพาดพิงถึงใครไม่ต้องไปกระทบใคร ที่เขาบอกนักวิชาการไม่ต้องไปพึ่งไปต้องไปให้ถูกใครอาตมาว่าเออคุณเพื่คนเก่งคุณพูดไม่ถูกใครเลยนะแล้วก็เป็นนักวิชาการให้คนอื่นเขารู้เรื่องดีว่าเป็นสิ่งที่ดีด้วยคุณเก่งคุณทําไปเถอะอาตมาไม่เก่งหรอกงั้นอ่ะอาตมาเก่งที่ว่าพูดท่ามันไปไปพูดปั๊บก็กระทบคนพูดชั่วก็กระทบคนชั่วพูดดีก็กระทบคนดีแม่คนดีน้อยก็พูดกระทบคนดีนี่แหละน้อยพูดคนพูดชั่วปั๊บกระทบคนชั่วแล้วคนชั่วมากด้วย มันก็ต้องพูดอะอาตมาไม่มีทางเลี่ยงนะไม่มีทางเลี่ยงอาตมาก็ต้องพูดอย่างที่พูดนี่แหละนะ <c oughs> เพราะคนที่มีสมมาอาชีพมีกิจการได้เป็นสาระที่มั่นคงอาชีพของชาวโศกเนี่ยเป็นอาชีพกระจอก เป็นอาชีพที่คนอื่นเขาดูแคลนแต่ต้นมาเลยชาโสงนี่ทำงานทำอาชีพเริ่มต้นทำอะไรทำน้ำยาซักผ้าทำแชมพูทำน้ำหมักทำอะไรกกระจอ ก, กระจอกนีนะ่แต่เลี้ยงตนได้ ทำกสิกรรมอันที่เขาเองเขาไม่ไหวแล้วก็พึ่งตนเองไม่รอเพรานักชาวไร่ชาวนาชาวไอเนี่ยเขาชาวไร่ชาวนาก็จนทั้งนั้ น, นแหละแล้วเราก็พากันมาเป็นชาวนาชาวไร่อะไรเงี้ยพามาทํำกสิกรรมที่มันไปไม่ออกละในสังคมประเทศไทยในยชาวไร่ชาวนาเป็นคนที่จนที่สุดอยู่ในลาดับที่หนึ่งแล้วก็มาเป็นคนอันนี้ เพื่อยืนยันว่าเรามีกิจการอันเป็นสาระหรือเป็นสมาอาชีพที่มั่นคงเพราะเรามองเห็นแนวลึกว่ามาเป็นนักกสิกรรมเนี่ยเราปลูกข้าวมาทำนามาทำพืชพันธุ์ธัญญาหารและเราก็ขายนะขายไม่ค่อยได้เท่าไหร่หลอกแจกซะ ส, สนเยอะถึงขายราคาแพงก็ไม่ได้ อย่าว่าจะขาราคาแพงเลยอาตมาบอกเลยว่าสร้างข้าวนี้นะข้าวไม่ใช่สินค้านะข้าวนี่คืออาหารที่ควรแบ่งปันกันกินจะขายก็ต้องขายถูกๆแจกกันได้แจกกันไปที่ซ้อนลึกอยู่ในความเป็นจริงที่อาตมาพารมเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะมาสร้างฐานะมาเป็นชาวนาธรรม ข้าวทำอะไรได้ดีทำข้าวได้มากขแล้ว ก, ก็เราจะรวยเพราะข้าวเปล่าเลยแต่มันจะเป็นอาชีพที่เป็นสาระมั่นคงที่จะยังชีพที่จะยังสาระสังคมทำให้สังคมเจริญเพราะนั้นในความหมายหรือว่าความจริงที่อาตมากล่าวขยายความสาธยายบรรยายอธิบายอยู่เนี่ย มันจึงเป็นความซับซ้อนลึกซึ้งที่คนเราฟังเป็นเพื่อนก็ไม่ค่อยเข้าใจได้ง่ายหรอกแต่ฟังดีๆแล้วจะเข้าใจคนที่มีปัญญาฟังดีๆเข้าใจแล้วจะเห็นจริงด้วยจะเห็นจริงว่าอาตมาภูนี้มันจริงใครรู้สึกยังไงบ้าง เออเขา้าท่าแฮโอโหต้องใช้สำนวนท่านพอพูดไปกินอะไรมาทให้ฉลาดนักท่านชอบพูดท่านชอบจะ ช, ชอบทักไปกินอะไรมาทำห้ฉลาดนักท่านชอบทักเออนี่ยตมาก็ขยายขอให้ฟังว่า การมีสมมาอาชี้นไม่ได้อาไม่ได้หมายถึงอาชีพหรือการงานที่เป็นสาระที่ทำให้มั่นคงเนี่ยเป็นอาชีพที่คนเพลิ น, นทุกวันนี้อาชีพรำ ร, ำรำรวยๆ อ, อาชีพที่เขาเห็นว่ามันมันม่นคงเป็นหลักเป็นแหล่งเป็นอะไรเนี่ยโลกโลกเขาก็พากันแย่งกันอยู่นี่นะอาชีพอะไรต่างๆนานาซึ่งเรากลับมานะหาอาชีพตอนนี้อาตมาว่าที่อาตมาพูดไว สามอาชีพกู้ชาตินะเกษตรกรรมปุ๋ยขยะมันเป็นยังไงวะขยะมันเป็นอาชีพประเสริฐมันเป็นสมาอาชีพจะ ก, กู้ชาติก็ ข, ขอร้องว่าจะใช้กู้ชาติได้ไหมมันดูแรงว่างั้นโอ้โหเซนซิเบิลจังเลยแมแค่นี้คุณดูแรงนะ ก็ไมเป็นไรเราก็เปลี่ยนไปแล้วสามอาชีพเพื่อมนุษยชาติน่าเทสไมเมย์จะบอกให้เปลี่ยนกันดีก็ไม่ว่ากันไม่กู้ชาติเอาเพื่อมนุษยชาติก็ได้สามอาชีพเพื่อมนุษยชาติแล้วอาชีพทําขยะมันจะกู้ชาติมันจะเพื่อมนุษยชาติยังไงกันแล้วมันจะอยู่ได้หรือ เอาละทุกวันนี้นี่พูดกันมาถึงอาชีพกสิกรรมธรรมชาติมามันขึ้นหน้าขึ้นตาพอสมควรพอเป็นไปละมันลึกมีแนวลึกแต่ตมาก็ไม่ได้ส่งเสริมให้ว่าทำกสิกรรมหรือว่าทำไรทำนาทำพวกนี้แล้วเสร็จแล้วก็จะต้องมาร่ำมารวยเพราะพวกนี้เป็นอาชีพที่มัน่นคงเพราะมันพารวยไม่ใช่ ค้อยมันอุดมสมบูรณ์คล้อยมันมีดีๆขึ้นมาเถอะมีเครื่องคุณภาพดีปริมาณมากไม่ต้องห่วงเลยเราสะพัดได้แน่นอนไม่ปล่อยให้เน่าค้าอะไรค้าอะไรค้าก็ดังค้าอะไรนันนะ่ะจนเป็นเรื่องดังไปทั่วโลกข้าวเน่า นี่ทำไม่น่าหรอกสภาพดได้แน่นอ น, นปุ๋ยก็ชักจะเริ่มดีขึ้นชักจะมีสภาวะที่บอกเออทำไมปุ๋ยมันจะเป็นเรื่องเลี้ยงชีพก็เราเป็นเมืองเกษตรกรรมเมื่อมือเป็นเมืองเกษตรกรรมแล้วก็เราจะสร้างเกษตรกรรมอาหารของเกษตรกรรมมันก็คือปุ๋ยอ่ มันก็ต้องทำผู้กันไปอย่างแน่นอนและมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตไม่ใช่เป็นเรื่องลึกลับไม่ใช่เป็นเรื่องเกินความรู้ความสามารถและมันก็เกิดขึ้นไปอย่างพวกเราก็ทำขึ้นมาจนทุกวันนี้ก็ดูดีก็ทำไปเรื่อยๆเถอะทำมันดีทำให้คุณภาพดีเสมอแล้วก็ทำขึ้นมาแจกจ่ายเชื้อจกันไป จะค้าจะขายมั่งก็ค้าก็าขายไปบ้างแจกจาก่ายสะพัดไปได้ก็จะได้ทำให้เกิดช่วยเหลือมนุษย์ชาติทำให้เกิดเกิดไอ้ทรัพยากรของชาติทรัพยากรของธรรมชาติทรัพยากรของมนุษย์ที่จะเป็นทรัพยากรอันต้องอาศัยใช้กิน ส่วนขยะนั้นก็ค่อยๆทำไปอาตมาก็ไม่สามารถที่จะพูดได้เก่งกว่านี้แต่อาตมามองเห็นไกลๆว่าขยะนี่ไม่มีวันที่จะหมดต้นทุนไม่มีวันที่จะหมดวัตถุดิบขยะขยะไม่มีวันจะหมดวัตถุดิบไม่มีวันจะหมดต้นทุน ถ้าขนขวายไม่มีทางหมดเลยขยะแล้วมันจะช่วยสังคมอย่างลึกซึ้งจนกระทั่งอาตมาอธิบายขยะไว้ตั้งแต่ทำหนังสือขยะวิทยาหรือขยะเอ่ยมาในแสงศูนย์ตั้งแต่พศยีสบกว่าก็เขียนคำนำคำบรรยายไว้ ชัดเจนว่าขยะมันมีตั้งแต่ยาไปจนกระทัึงขยะทางจิตแล้วก็ต้องเรียนรู้จริงๆว่าขยะมันมีอย่างนั้นจริงๆถ้ะทาได้ถ้าครบทั้งขยะภายนอกขยะวัตถุไปจนกรงทั้งขยะในจิตได้ขยะทางกรรมกริยาขยะทางพฤติกรรมมนุษย์ก็เป็นขยะขยะสังคม ยิ่งจิตวิญญามันเป็นขยะกายิ่งเข้าใจได้ยิ่งรู้ดียิ่งโอ้แล้วก็จัดการอยากให้มันเป็นขยะได้มันก็ยิ่งประเสริฐยิ่งวิเศษนะตรงนั้นเราเข้าใจในเรื่องของการทําสาระให้มั่นคงที่เป็นอาชีพเป็นสิ่งที่ยังอยู่ในชีวิตที่เราทำเป็นส่วนมากอาชีพนี้คือเราทําเป็นส่วนมาก เราทำกันอย่างเอาจิงเอาจังในชีวิตการงานที่ยังชีพของทั้งเราและสังคมไม่ใช่แต่เฉพาะเราเท่านั้นแข็งแรงมั่นคงทำไปได้นานปลูกข้าวปลูกน้ำทำพืชพันธยาหานี่ทำไปเถิดทำไปได้ตลอดอีกกี่ล้านชาติก็ได้ ไม่ต้องห่วงเรายิ่งเราทำแล้วก็ได้มากๆคุณภาพดีๆแต่แล้วก็กินน้อยใช้น้อยเนี่ไม่มีทางตายเลยในชีวิตอาหารเป็นหนึ่งในโลกไม่ต้องห่วงเลยนะนอกนัานจะเป็นอาชีพที่มันเป็นความสำคัญของสังคมอาชีพที่ อย่างทุกวันนี้งานสื่อสารนี่เป็นต้นโทรทัศน์เนี่ยสำคัญแล้วในสังคมเราก็ต้องทําให้แข็งแรงมั่นคงทําให้เป็นงานที่จะทําช่วยสังคมอยู่และทุกวันนี้เราก็ทําอย่างโอโหหนักหนาสาหัสอย่างสื่อสารอย่างโทรทัศน์นี่หนักหนาสาหัสเพราะอะไรเพราะ มันแพงมันแพงมันต้องเช่าดาวเทียมเราไม่มีปัญญาจะไปสร้างดาวเทียมไว้จ่ายเองใช้เองหรอกค่าเช่าดาวเทียมยังไงมันก็ไม่ถูกหรือเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆแล้วก็สร้างเองไม่เป็นแล้วก็ต้องซื้อครับคิดยิ่งคิดมาใหม่ไอ้ให ม, ให ม, ใหม่ยิ่งแพง แล้วก็ไปถึงก็จะไปแข่งไหม่แข่งเด่นแข่งดังแข่งดีอะไรเขาให้มันพอไปรอดให้มัน ด, ดนีมันคงแข็งแรงดีเท่านั้นก็พอที่สําคัญก็คือของเรานี่ไม่ได้หารายได้มันแพงแต่ไม่ได้หารายได้นอกจากไม่หารายได้แล้วคนมาช่วยงานไม่จ้างใครอีกด้วยต้องทําฟรีมาช่วยดื่น้ําใจ โ oh, oh. อ้โหอาตมาว่าคณะไหนที่ไหนๆกันแล้วแต่แม้แต่ในสถานีที่เป็นสถานีการกุศลก็ยังยากนะที่เขาจะได้คนมาทำงานประจำงานที่ว่าจะมาอะไรที่ไม่ต้องจ้างมาทำฟรีจริงๆเนี่ยยากนะ มันต้องอาศัยความเข้าใจด้วยปัญญาอย่างพวกเรานี่มันก็เป็นบารมีอย่างหนึ่งเหมือนกันที่มันพอมีคนมาช่วยกันอยู่แต่เราก็พยายามที่จะหาทางว่ามันจะมีบารมีเท่านั้นวิธีการที่จะพยายามให้มันเป็นไปได้แต่ก็รู้สึกก็ดีขึ้นในเรื่องมีคนเข้าใจมีคนมีบารมีมีคนที่รู้ว่าเอออันนี้เราต้องมาช่วยกันทำ ก็มีคนเข้าใจอาตมาก็เชื่อว่าในอนาคตจะมีผู้ที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นมาคนที่ค่อยๆโดยเฉพาะพวกรุ่นต่อๆไปของชาวอโสมกเนี่ยที่เข้าใจไปแต่มีพื้นฐานไปแล้วแล้วก็ค่อยในอนาคตอ๋ออันนี้เขาจะเห็นหนึ่งเป็นความจำเป็นของสังคมว่าเป็นงานที่จะช่วยสังคมอย่างมากสื่อสารเนี่ยมันเป็นโอ้โหยิ่งโทรทัศน์เนี่ย มันก็จะไปกันอีกจากโทรทัศน์มันจะไปอะไรอะไรที่มันจะสื่อสารเกี่ยวกันในลักษณะเชิงที่จะส่งไปแบบนี้มันต่อไปไม่ใช่โทรทัศน์ตรงนั้นมันไปออกไปทางอินเทอร์เน็ตมันออกไปทางอะไรทางพวกนี้สื่อสารทางเทคโนโลยีแบบนี้มันรวมอยู่ในตัวนั่นรวมรวมกันไปมันต่อไปในอนาคตในรับได้หมดนี่จะมีอะไร เอพผมทเอแพรมีนมนี่มีอะไรมีมมทุกส่วนเรารับได้หมดน่ะันเป็นสื่อสารที่จะรับได้หมดกะจายได้หมดนในอนาคตมันจะขยายตัวมันจะขยายทางเทคนิคไปอีกอย่างลึกซึ้งซึ่งเราเห็นอาตมาว่ามันเป็นความจำเป็นที่จะต้องทำเราไม่ทำเราก็ไปไม่ออกอยู่ไม่ได้ อยู่ไม่ได้อยู่ยากยั่งจำเป็นเพราะในเงื่อนไขที่ว่าหนึ่งเราไม่ได้หาเงินเลยไม่มีไรายได้เลยม่ได้หาตังค์มาใช้ถ้าจ้างค น, นอยู่ไม่รอดแล้วแต่นี่ไม่จ้างค น, นยังอยู่ยากเลยเพราะเราจะอยู่ได้ก็ต้องอาศัยคนที่มีปัญญาที่เข้าใจแล้วก็มีน้ำใจที่จะมาช่วยกันจริงๆ ทุกวันนี้ก็มีคนที่เข้าใจแล้วก็เป็นคนที่มันมีปัญญามันมีความจริงอะ่ะมันก็ดูอยู่ได้เป็นแกนเป็นแก่นอยู่บ้างแต่ได้ข่าวว่าตอนนี้พวกสิทธิ์เก่าหรือพวกพวกที่อะไรจะมารวมตัวกันเข้าใจขึ้นจะมาประชุมกันจะมาผนึกกันเพื่อที่จะช่วยกันก็เป็นนิมิต ด, ดีเป็นข่าวดีที่จะเกิดขึ้นก็ว่าไป คือเราเองเราก็ไม่รู้จะไปบังคับกันได้ยังไงนอกจากจะมีน้ำใจมีปัญญาที่จะมาช่วยเนาะใครมีปัญญามีความเข้าใจเห็นควรว่าจะต้องมาช่วยเขาก็มาของเขาด้วยน้ำใจชีวิตของคนมันก็เราก็ไปบังคับไม่ได้หรือว่าไปไปรีนาธาร้นยังไงมามันก็ไม่ได้มันก็ต้องมีฉันทะมีความเข้าใจเรามีความเป็นไปได้ของตัวเขาเองด้วย ตัวเขาเองก็ต้องเป็นไปได้มาแล้วเขาจะอยู่ยังไงเขาจะอยู่รอดไหมจะกินจะอยู่กับแบบนี้แบบเราเรานี่อาศัยกันอยู่งี้เลียกดูกันไปนะซึ่งมันก็พอเป็นไปนะนี่ก็เป็นอาชีพสมาอาชีพที่ยกตัวอย่างหรือการศึกษาก็เป็นอาชีพมันทิ้งไม่ได้การศึกษานี่ทิ้งยังไงก็ทิ้งไม่ได้จะไม่เอาจะไม่ไปสาคัญกับการศึกษา ไม่ได้เลยยิ่งอัตมาเห็นการศึกษาที่ล้มเหลวของสังคมโลกการศึกษาของสังคมโลกมันศึกษาไปเห็นแก่ตัวศึกษาไปสร้างฐานะให้แก่ตัวเองศึกษาไปเป็นอาวุธฟาดฟันผู้อื่นนี่ธรรมสรุปมันไม่ได้เป็นการศึกษาที่มีศาสตร์ศาสนาเป็นเป็น มันไม่เป็นคุณธรรมความรู้มันไม่เป็นคุณธรรมมันเป็นความรู้ไปรับใช้สังคมแต่มันเป็นความรู้ที่ไปปล้นสังคมแย่งสังคมแต่เอาเปลี่ยนอรัฐสังคมเพราะฉะนั้นในสังคมถ้าเผื่อว่าคนไม่ได้เกิดจิตใจที่ยิ่งมีความรู้ก็ยิ่งเสียสละให้สังคม ช่ยสังคมจริงถ้าไม่เป็นเช่นนี้มันกลับเป็นว่าเอาความรู้เนี่ยไปเป็นอาวุธไปเป็นเครื่องมือที่ได้เปรียบแล้วก็เอาเปรียบเขาสร้างทั้งอำนาจสร้างทั้งความร่ำรวยให้แก่ตัวเองมันก็สวยเลยศาสตร์นี้มันก็สวยเลยด้วยความรู้ตรงนี้ก็สวยนี่เป็นความรู้แบบนี้ทั้งโลกเดี๋ยวนี้ ขอพระอาจมาพูดโดยค่ารวมไม่ได้ไปพูดว่าคณใดคนหนึ่งหรอกค่ารวมมันเป็นอย่างนี้ชัดๆทั้งโลกเลยเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะทำให้มันเกิดค่ารวมใหม่ว่าการศึกษาของโลกเนี่ยเออมันทำให้เกิดการเสียสละสร้างสรรได้ความรู้ก็ยิ่งไปเสียสละอย่างนี้สังคมโลกก็จะอยู่เย็นเป็นสุข แต่นี่มันไม่ยิ่งได้ความรู้ก็ยิง่งโอ้โหกลายเป็นเรื่องที่จะต้องเป็นมหาอำนาจเป็นประเทศที่ร่ำรวยกว่าประเทศไหนๆเป็นประเทศที่จะต้องมีอำนาจบาดใจในทั่วโลกมันไม่ใช่เลยพูดไปแล้วก็ยิ่งนึกถึงพระราชดํารัสของในหลวงนรอง ท่านบอกอย่าไปเอาอย่างตำราที่มันเรียนันใ น, ในโลกปิดตำรานั้นเถอะท่านบอกแค่ชัดเลยอย่าไปลงตำรานะัปิดตำรานั้นเถ อ, อะคนไปลงตำราปิดตำราที่เรียนกันคำว่าตำราเนี่ยคือสิ่งที่เรียนกันทั่วโลกอะ วิชาการได้เดียนกทูรกท่านตรัสไปโอ้โหคมคายลึกคนที่ทำงานตามวิชาการจะต้องพึ่งตำราเสียบเข้าไปลึกแค่นี้คำแค่นี้ฟังดีๆเฮ่คนที่ทำงานตามวิชาการจะต้องพึ่งตำราเอาคำนี้ออกไปให้ทางบ้านเขาดูเ น, นี่ยนะเดี๋ยวจะหาอัตมาพูดนอกเีพที่ในหลวงท่านตรัส อ่าอินเสิร์ตออกไปให้ทางบ้านเขาเห็นหน่อยครับคนที่ทำงานตามวิจารารจะต้องพึ่งตำราเมื่อพลิกไปถึงหน้าสุดท้ายแล้วในหน้าสุดท้ายนั้นเขาบอกอนาคตยังมีแต่ละคำแต่ละคำนี่คมทั้งคมทั้งบาดทั้งลึกโอ้ยจริงๆแต่ละคำแต่ละคำานี่ หน้าสุดท้ายนั้นเขาบอกอนาคตยังมีหวังอะไรในลาแต่ไม่บอกว่าให้ทำอย่างไรมันคมคายบาดเสียบลึกึ้ดที่สุดเลยก็ต้องปิดเล่มคือปิดตำราปิดตำราแล้วไม่รู้จะทำอะไรอีกลงใต้ก็ต้องไปเพิดหน้าแรกใหม่ พึ่งอยู่แค่นั้นนะเปิดหน้าแรกแล้วก็เริ่มต้นใหม่ก็ถอยหลังเข้าครองคมซะม่เมียตำราพวกนี้พาไปไหนพาถอยหลังเข้าครองตำราพวกนี้พาไปไหนที่เรียนกันอยู่เนี่ยพาไปไหนนี่เป็นโวหารของในหลวงเราที่เป็นปราดใหญ่ที่สุดที่ตรัดคมลึกที่สุดเลยสูงส่งมาก แต่คนไม่ได้รู้สึกเพราะที่เรียนกันอยู่ตำราต่างๆวิชาการต่างๆที่เอาเป็นเอาตายกันอยู่ทุกวันนี้ในโอ้โหบูชาเคารพนับถือกันนเกินเนี่ยคือตำราที่พาถอยหลังเข้าครองมันต้องมาใช้ตำราเอาแบบคนจนใช้ความมาัรุ่มมัรวยกันตำรานั้นไม่จบ จะก้าวหน้าได้เรื่อยๆไปเรื่อยๆเลยก้าวหน้าไปไม่มีทางหยุดทางตันเป็นตำราที่ไม่กินตัวเองด้วยเป็นตำราที่จะเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆเผื่อแผ่เกืือกว้างไปเรื่อยๆด้วยตำราแบบคนจนเนี่ยซึ่งตำรานี้พระพุทธเจ้านั่นแหละ ท่าสอนได้หมดแล้วแต่ในหลวงท่านจะตรัสแบบงั้นไม่ได้เพราะว่าท่านเป็นในหลวงในประเทศมีาศาสนาหลายาศาสนาท่านจะตรัสอย่างที่อาตมาพูดไม่ได้แต่อาตมาอยู่ในสายสาศาสนาโดยตรงในศาสนาพุทธอาตมาถึงพูดได้เต็มคําแต่ในหลวงท่านมีข้อจํากัดท่านตรัสอย่างนั้นไม่ได้ เพร่อมาแบบคนจนของอย่างพระพุทธเจ้าท่านสอนอปิชะสันตุติปวิเวกสังสักวิริยรัมพะหรือจะสุภะสุโสพสอปิชะสันตุติสันเลขาทูตะปาสาติกะอปิจ ย, ยะวิ ร, ยริยรมพะก็เหมือนกันอย่างนี้เป็นตน้นคำสอนพระเจ้าก็ เป็นไปเพื่อมักน้อยสันโดษทดําใดวินยัยใดเป็นไปเพื่อความมากมากทํานั้นวินยัยนั้นไม่ใช่ของเราต่ถาคตและมักน้อยเนี่ยจะมาแปลว่ากลา้าจนแปลว่ามาจนคนที่ชอบชอบความจนมากก็คือชอบอไปแหละมักน้อยปรารถนาน้อยต้องการความมีน้อยไม่ต้องการความมีมากที่เป็นจิตจริงใจจริงเลย วัอาชีพที่มั่นคงเลี้ยงชีวิตนี่คืออุดมคติหรืออุดมการใหญ่ของชีวิตจะต้องมาแบบคนจนสถานะคนจนพวกเราเอาชาวอาโศงนี้ยึดหัวหาดได้แล้วรักษาสถานะความเป็นคนจนไว้ให้ได้แต่เป็นคนจนมหาสัจย์นะ ขยันมั่นเพียรมีสมรรถนะมีความรู้ไม่ได้ น, นีโลกไม่ได้ดอยโลกมีความรู้พอไปได้กับโลกแม้ไม่เด่นไม่ใหญ่ไม่ปราดเปลืองอะไระอะไรก็เถอะแต่ก็ไปได้สร้างสรรได้ด้ความรู้ความสามารถขยันมั่นเพียรคุ้มกินคุ้มใจพึ่งตนรอดเหลือมีส่วนเหลือส่วนเกินที่สพ เพื่อแผ่ผู้อื่นจริงๆคนจนเนี่ยสะพัดเลี้ยงผู้อื่นคนจนเลี้ยงผู้อื่นได้ดีกว่าคนรวยมันไม่เลี้ยงใครนอกจากไม่เลี้ยงใครอะไรมาดูดเอาจากสังคมเข้ามาให้ตัวเองยังไม่รู้จักหยุดจยอนไม่รู้จักจบ จ, จ, จ, จักสิ้นแนวคิดแบบนี้เป็นแนวคิดที่เลวร้ายรุนแรงมากรวยรยแล้วก็ ใช้เงินที่รวยนี่ออกไปกระจายดูดไม้แต่ตัวเองอยู่ตลอดกระนานนี่เป็นวิธีคิดของทุนนิยมทั่วโลกเขาเป็นแค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าสังคมมีการศึกษาที่สร้างแนวคิดในคนไม่เห็นว่ามาช่วยกันยาสะสมสร้างสรรและสัพพัดเกือกูลกันเลยมันจะเหลือเฟือแล้วมันก็จะอุดมสมบูรณ์ไปทั่วโลกเลย และทรัพยากรของโลกก็จะไม่ถูกรีดถูกขุดถูกโค่อนออกมาทำลายไวๆเร็วๆไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรที่เป็นฟอสซิลทรัพยากรที่เป็นอะไรตายต่างๆนานาที่มันมีอยู่ในประเทศอยู่ในโลกมันจะไม่ถูกขุดคุ้ยขึ้นมาทำลายไปหมดเลยมันจะอยู่ไปถึงลูกถึงลูกถึงลู ก, ถ, ลกถึงหลานถึงเด่นถึงหลนไปอีกนานเท่านานในโลกนี้จะไม่ ไม่สิ้นไม่บกเม่พร่องไม่ศูนไม่ทาลายง่ายเลยแต่นี่โอ้โหมันต่างคนต่างหาต่างคนต่างขุดคนต่างคนต่างจะโลกอกอบโกยออกมาทําลายเพื่อให้มันหมดมันสิ้นไปง่ายๆในโลกนี้ให้มันหมดทรัพยากรโลก แนวคิดที่คนเขายังเข้าใจไม่ได้แล้วเขายังนิยมกันอยู่ทุกวันนี้ยังไม่ได้แปลเปลี่ยนมาสู่สภาพที่ขนาดปัจจุบันนี้นี่สังคมมันจะแย่แล้วเพราะมันเห็นแก่ตัวแล้วมันก็ทำลายโลกทำลายทรัพยากรทำลายธรรมชาติทำลายอะไรไปจนกระทั่งมันจะไม่ไหวแล้ว เขาก็ยังไม่รู้ตัวกันไม่เปลี่ยนแนวคิดไม่เปลี่ยนอุดมคติอะไรพวกนี้เลยไม่มันนิยมทิศทางที่จะมาทำให้โลกมันอยู่รอดกลับเป็นนิยมไอทางเก่าที่มันทำให้โลกอยู่ไม่รอดแน่นอน อัตมาก็พูดแรงๆองเงี้ยพูดชัดๆอย่างเงี้ยใครไม่เห็นก็ไม่เป็นไรใครไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรคนเข้าใจก็มาช่วยกันเปลี่ยนทางเดินเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนแนวคิดเสียแล้วมาตั้งใจช่วยกันหน่อยเพราะว่าแนวนี้นี่มันหาได้ยากคนที่จะเข้าใจและคนจะเป็นจริงมันไม่ใช่โล ก, กี้ยะไม่ใช่เรื่องโลกโลกที่เต็มไปได้วยโลภโกรธหลงเต็มไปด้วยกเห็นความเห็นแก่ตัวไม่ใช่ มันเป็นความไม่เห็นแก่ตัวมันเป็นความที่มันเสียสละมาเห็นแก่ผู้อื่นจึงทั้งนั้นเลยแนวคิดที่ว่าเนี่ยมันคนละแนวทางมันทางโลกกย์อย่างนั้นใครจะไม่รู้รู้ทั้งนั้นแหละแต่แนวคิดท้งนี้นะมารู้บ้างแล้วมาเป็นทางโลทางโลกุตระทางอาริยะแบบนี้บ้างอาตมาก็จะสะสมคนอย่างเนี้ยสรรค่าสร้างคน ใครฟังอาตมารู้จักฆ่าก็เลือกสันอยู่ตูเนี้ใครรู้เขาก็คนนั้นก็รู้คนนั้นก็จะมาเอาเรียกว่าสันฆ่าแล้วก็คนที่เข้าใจฆ่าแบบนี้ก็มาช่วยกันเสริมสงันส่งเสริมกันสร้างกันขึ้นมาให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ให้แก่โลกขึ้นไปเรื่อยๆมันไม่มีอื่นดีกว่านี้หรอก อตาตมาพูดคนเดียวมาเหลือบดูเวลามันปาเข้าไปจะสองทุ่มละเลยเวลาที่จะต้องตามกําหนดว่าจะต้องให้ปกคุณแสดงมื่ออาตมาแสดงทั้งคนเดียวเดียวโอ้โหเดียวกร บ, บีเพีคนเดียวเทเลยเวลาเป็นนานแล้วเอาเอาละอตาตมาก็คงพูดไปถึงข้อสามนะมีงานสมาชีพมี กิจการที่มีสาระมั่นคงเพราะฉะนั้น เ, าเราจะทําให้อะไรที่มันเป็นอาชีพเป็นงานที่ประจํางานหลักและมั่นคงก็อย่างที่เราเข้าใจที่อาตมาสาธยายไปนี่แหละทุกวันนี้ก็เข้าใจผิดทิศผิดทางก็ เ, เลยไปสร้างอาชีพกันไปทําสาระมั่นคงอะไรของเขาอย่างที่ว่านะ่ยมันมั่นคงแบบที่มันทําลายงั้นมันไปไม่รอดอ้าวตอนนี้ก็ ใครจะถามใครจะพูใครจะแนะนําใครจะอะไรว่าไปเชิญโอ้ดีจังอ้าวแจะถือดีๆระวังจะหลุดหลุดตกลงไปมันเสียนะไมโครโฟนมันปลอบบางปรอด บ, บางมันไม่แข็งแรงอ้าวใครดักไมโครโฟนแล้วเอาเลยอ้าวยกมือผูจะพูดยกมืออ่าทำไมมันตกหรือเปล่า โอ้โหทำไมมันเปิดเสียงดังอย่างเอาเลยได้แล้วเอาก่อนได้เอาเลยกลับนำ้ำมกับกลับนมาสการพ่อท่านคะ่ะมาส ก, การสมาณะลัิกามาตค่ะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านคะ่ะค่ะในเรื่องที่ที่ที่เรื่องของกิจกรรมนะคะกิจกรรมที่พ่อท่านว่าเราสะพัเช่นเรื่องข้าวนี่คะ่ะเอาเรื่องข้ า, งา้ง่ายๆนะคะ มีหลายคนก็บอกว่าข้าวเรานี่ทําไมไม่สะพัดออกแต่บางคนก็บอกว่ามันจะแล้งปีหน้าอะไรประมาณนี้ค่ะนิมนต์พอท่านระวางแผนกันอยู่ระวางแผนกันอยู่วางแผนกันอยู่เรื่องข้าวตอนนี้เราซื้อไว้พอสมควรเราก็จะสะพัดแล้วเราจะมีเงินมาซื้อไหมล่ะคะท่านฮะแล้วจะมีเงินมาซื้อไหมล่ะคะ เราซื้อไว้แล้วงเงินเราไปจมอยู่แล้วตอนนี้เราก็ทีสะพัดออกเราก็จะสละนะันมันจะไปเอาอะไรกันมากแล้วสละพอได้แล้วก็วางแผนกันอยู่คิดกันอยู่ว่าจะทำไปนเนี่ยพอมันเตะอุ้มคล้องเกินไปไหมเราจะได้แทนั้เท่าไหร่ก็คิดกันอยู่ ค, ค, คืออาตมาว่าพวกเราเนี่ยจริงใจ เสียสละอะไรให้สังคมเนี่ยเราไม่ได้ไปคิดเล่ห์เหลี่ยมไม่ได้แฝงซ่อนอหาทางที่จะล่อหลอกให้คนเขาตายใจหรือว่าลวงตับกินไสในประเภทบุ๋มมะแรงอะไรเนี่ยเราไม่ได้ทําหรอกเราทําซื่อตรงทํางานกับสังคมให้สังคมไปก็เรากพยายามอาตมามั่นใจว่พาพวกเรามีความจริงใจที่จะมาไม่ได้มาใช้สังคมเป็นเครื่องมือเราจะช่วยสังคมจริง อ้าวใครต่อเอาเลยน้ำขอโอกาสค่ะดาวเพนนาวาบุญยมค่ะวันนี้รู้สึกประทับใจมากนะคะเพราะว่าสิ่งที่พ่อพูดมานั้นมันเป็นเวลาเนิ่นนานมากสามอาชีพกู้ชาติแล้วก็วันนี้ถ้าจะบอกว่าใช้สับหนักๆหน่อยก็คือโคตรละเอียดละออะฮะแบบ เสริมเลือกเข้าในจิตวิญญาณเลยค่ะว่าโอ้มันกู้ชาติจริงๆอาชีพนี้ไงก็รู้สึกว่ามันทําให้มันอยากจะขยันมากๆขึ้นเนาะแบบว่ามันเข้าวิญญาณในเรื่องเรื่องโดยเฉพาะดิฉันนี่อินเรื่องทํานาค่ะที่ทลาออกจากราชการมานี่ไหมาอยู่อโศกดิ้ก็คืออยากมาทํานาเพราะว่าอาชีพทํานาเนี่ยมันสร้าง สร้างอะไรลึกๆให้ให้ตนเองค่ะให้ ต, น เ, หตนเองรักคนรักคนมากขึ้นเข้าใจชาวนามากขึ้นเข้าใจคนใช้แรงงานกรรมกรหรือพวกแบกหามพวกทํางานหนักๆมันมันซาบซึ้งมากค่ะที่ที่ทำไมตัวเองถึงเห็นใครก็เป็นเพื่อนไปหมดเนยเพราะว่ารู้ว่าพวกนี้เอออาตรมาขอแวะตรงนี้หน่อยนดีมาสสมทับ เราเองเนี่ยคุณพูดน่ะดีแล้วเราเองทำอย่างไรจะให้คนซาบซึ้งในเรื่องผู้รับใช้สังคมเราต้องปฏิบัติเราต้องเป็นคนรับใช้สังคมเป็นกรรมกรสังคมต้องเป็นกรรมกรสังคมให้ได้จริงๆนะเราต้องเป็นกรรมกรสังคมรับใช้สังคมจริงๆเลยอย่าให้แต่ นักการเมืองเข้ามาทำเป็นแออาร์ตพูดโอ้ผมจะไปรับใช้สังคมเราเลือกเลือกผมเข้าสภามันจะไปรับใช้ประชาชนเราไม่ต้องพูดหรอกเราทาพุชไปเลยรับใช้สังคมให้จริงเนี่ยเราพากันทอยู่เนี่ยอาตมาพาทาอยู่ตั้งใจถำเอา ด, ดีจะได้น้อยได้มากกันแล้วแต่เรารับใช้สังคมไปนอะอะต่อ น่อันนี้มันจะเป็นไปได้อย่างสวยสุดเลยรับใช้สังคมค่ะก็เริ่มมองเห็นทิศทางแล้วค่ะว่าอยากรับใช้สังคมค่ะอย่างอย่างตัวอย่างทีมทีมที่เราจับกลุ่มกันตอนนี้เจ9ดปดเก้าคนนี่คือทานานี่ค่ะก็รู้สึกว่าทำแล้วมันสนุกทำแล้วมันมีหวังมันเห็นทิศทางว่าเราจะพึ่งตนเองได้มากขึ้นค่ะก็เลยมีไฟมีไฟมีไฟในเรื่องนี้ แล้วก็ไปเห็นชาวนานี่ยเขาใช้สารเคมีอู้หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านนั้นไม่มีบ้านหลังคาไหนที่ไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าก็เลยมันทำให้เกิดแรงบันดาลใจว่าอุย้ยเราต้องทำทวนกระแสะเขาในเรื่องการใช้ไม่ใช้สารเคมีมากๆก็เลยที่ที่พ่อบอกว่าลงปุ๋ยก็ต้องทำนี่เป็นสิ่งจำเป็นสำคัญจริงๆอะปุ๋ยขยะเอ้ยขยะในจิตวิญญาณเรานี่มัน มันสอดคล้องกับกับที่ที่พ่อท่านเทศนะก็เลยคิดว่าตั้งใจจะทำให้ถึงจิตวิญญาณค่ะครับอ้าวอาวอ า, อ า, อาม่เกิดความประทับใจเอาสรุปเกิดความประทับใจอ้าวใครต่อเอาเลยได้ไมโครโฟนยังโอ้โหได้ยิงโมกเหรอเอาเลยค่ะ นก็อ่านหนังสือ54อรหันต์นะคะโอ้โหอ่อาออนสนะนะิอรหันต์ห้อรหันต์เลยนะนั่นห้สิบสอรหันต์น่ะนะอรหันต์จริงนะจากประวัติตำนานพระพุทธเจ้านะไม่ใช่อรหันต์สมัยนี้นะอรหันต์สมัยนี้นะอาตมาไม่อยากพูดเลยว่าอรหันต์กแต่อรหันต์อรหันต์จริงอรหันต์ หนูก็เห็นท่านองคหนึ่งอะคะท่านอาพาธแล้วท่านก็ใช้สัตวุธฆ่าตัวตายอะค่ะท่านไม่ทราบว่าท่านบาปหรือเปล่าคะท่านท่านองหนึ่งอะค่ะท่านอาพาธแล้วใช้สัตวุธฆ่าตัวตายท่านบาปหรือเปล่าคะฆ่าตัวตายยังไงยังไงมันก็เป็นวิบากบาปนะเป็นวิบากบาป เป็นผลบาปแน่นอนนะก็มันมันเป็นวิบากของท่านด้วยนะอันนี้เราอธิบายไม่ได้หรอกอธิบายยากนะตอบได้ว่าบาปไม่ก็ตอบตรงตรงว่าบาปนะนะก็ท่านเองท่านอาพาธมากท่านทนไม่ได้ท่านก็สุดท้ายท่านก็ตัดสินอย่างนั้นก็เป็นวิบากของท่านวิบากนี่คือมันมีผลหลายอย่างคนทําทำ วิบากบาปมาแต่ชาติก่อนๆมาถึงชาตินี้จะต้องได้รับโทษภัยแม้ที่สุดการฆ่าตัวเองตายก็เป็นโทษภัยชนิดหนึ่งของวิบากด้วยนะเพราะฉะนั้นมาถึงคราวที่สุดแล้วตัวเองเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องทำอย่างนั้นมันสุดทางแก้ไขในปัจจุบันนี้ทำไม่ได้ไปจบตรงที่ว่าเราก็ต้องทำตามนันแหละก็เลยต้องทาตามผลวิบากวิบากกรรมที่ประทวงเงา วิบากทวงเอาก็จะต้องใช้นิวิบากนั้นค่ะอ้าวค่ะโอ้โหเนี่ยอานอกาท่าสิบสี่ขอการค่าเนียนใจค่ะขอการค่าเนียนใจค่ะอยากจะถามพวกครูว่าการที่เราต่อเนื่องจากของอาดาวเพนนะคะว่าการที่เราจะ มาฝึกฝนตัวเองการศึกษาของเราสอนให้คนเราเนี่ยมาฝึกฝนการเป็นผู้รับใช้นะคะแต่ทีนี้การรับใช้โดยการที่เราเนี่ยจะพยายามรับใช้โดยการที่ให้คนที่เราไปรับใช้เขาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงของพฤติกรรมไม่ได้ให้ในเรื่องของวัตถุเนะะี่ยค่ะแต่ดิฉันไม่มีวิธีการในการพูดนีคะจะทําให้เด็กๆ เ, เข้าใจยังไงเพราะว่า จากเมื่อคราวที่แล้วนะคะที่ไปลงฐานงานที่เราไปแนะนำการล้างจานเนี่ยค่ะปรากฏว่าไม่มีเด็กๆสมัครมาเข้าฐานงานนะคะอยากให้พวกครูช่วยแนะนำนะคะว่าพูดอย่างไรเด็กๆจึงจะเข้าใจในเรื่องนี้นะคะขอบคุณค่ะแม่อัตมาก็ไม่เก่งเนาะอัตมาถามอัตมาอัตมาไม่รู้จะตอบอยังไงไม่เก่งนะอัตมาเมื่อกี้นี้จะพูดถึงสมาชีพที่มั่นคง อีกอันนึงการศึกษากะคิดว่าจะพูดมันไม่ได้พูดมันเวลาหมดได้พูดได้สื่อสารนะพู้ได้สื่อสารว่าจะพูดการศึกษาอีกอันหนึง่งจริงๆมันมีแบบไวสองอย่างนอกจากการศึกษาแล้วอีกอันนึงที่จะเป็นการอาชีพที่จะต้องสําคัญอีกอันนึงคือการเมืองนะสื่อสารอาชีพการศึกษาและการศึกษาและการเมืองว่าจะพูดแต่ว่ามันพูดได้แค่นั้นหมดเวลา การศึกษาเนี่ยก็เป็นอาชีพที่สำคัญของชีวิตและเป็นอาชีพต่างๆที่อาตมากล่าวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาชีพสื่อสารมันก็ไม่ได้หาเงินเลยอาชีพการศึกษาก็ไม่ได้หาเงินเลยมีแต่จ่ายกับจ่ายอาชีพการเมืองที่จะทำต่อไปเราก็ไม่ได้เงินแล้วก็ไม่จะไปเอาเงินเด็ดขาดเลย ไม่ได้ไปหาเงินแน่นอนจะมาเสียสละแบบเดียวกันยิ่งการเมืองแล้วก็ยิ่งตรงโอโหตรงชัดเจนเลยทุกวันนี้เราก็ทำอยู่การเมืองภาคประชาชนเราก็ทำซึ่งคนเขาไม่เข้าใจแล้วว่าเราทำการเมืองแต่การเมืองภาคประชาชนเนี่ยเขาเขาถือเป็นผู้รับใช้กระจกกระจอกเท่านั้นเองที่เราทำอยู่เนี่ยเป็นผู้รับใช้กระจกกระจอกเขาถือเป็นยางไงนก็นไม่ได้ถือเป็นการเมืองการเมืองตรงโอโหเป็นท่านเป็น อะไร อ, อะไรขึ้นสภาผูกเนกไทยใส่เสื้อน อ, นอกหรืออะไรตัางๆไปยังโน่นต้องเป็นอะไรไปนูน่นการเมืองต้อ ง, องเข้าอย่างนั้นจะต้องได้รับแต่งตั้งจะงได้รับตาแหน่งจะต้องได้อนาลนในโการเมืองเขาแต่ของเราไม่ของเราเป็นประชาช น, า น, ชาชนการเมืองภาคประชาชนเอาละมฏิบัออกนอกการศึกษาที่คุณว่านี่แหละที่คุณถามาน่ก็เป็นประเด็นที่ถูกแล้ว อาตมาเขตอบได้ว่าเมื่อกี้ที่ถามบอ ก, ก็ตอบไม่ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่รู้จะอธิบายยังงอาตมาไม่เก่งตอบไปอย่างนั้นแต่ตอบได้ว่าอาตมาไม่เก่งที่จะทํำยังไงอย่างที่คุณถามแต่พวกเราเห็นพยายามกันอยู่ช่วยกันก็ให้เด็กเข้าใจอ่ะอย่าว่าแต่เด็กเข้าใจเลยผู้ใหญ่ด้วยผู้ใหญ่ด้วยต้องก็มาช่วยกันที่เราทําการศึกษากันมานี่ก็คือการสร้างคน ที่อาตมาทำอยู่นี่คือการสร้างคนทั้งนั้นน่ะเป็นการศึกษาทั้งนั้นน่ะที่อาตมาทำอยู่เนี่ยจนเกิดหมู่กลุ่มชุมชนเกิดสังคมที่เป็นอยู่เนี่ยการศึกษาทั้งนั้นจนกระทั่งได้จัดสรรวิธีจนกระทั่งมีโรงเรียนจะเป็นวิทยาลัยอะไรการศึกษาทั้งนั้นน่ะอันนั้นเป็นรูปประทชัดเป็นโรงเรียนเป็นวิทยาลัยอะไรขึ้นมานั่นแต่แม้ไม่อย่างนั้นทุกวันนี้ที่ทําอยู่เนี่ย ัตแต่เริ่มมาเนี่ยเป็นการศึกษารวมแล้วต้องรู้ว่าการศึกษาและศึกษาเพื่ออะไรศึกษาเพื่อเป็นคนเจริญจเจริญอะไรเป็นอาริยะในคนประเสริฐเจริญในประเสริฐพูดไปแล้วเมื่อตอนต้นก็พูดมาแล้วอาริยะยังไงประเสริฐยังไงหมดความห็นแก่ตัวมารับใช้สังคมแล้วก็มีความรู้ความสามารถขยันหมั่นเพียร ไม่ใงอมืองอตาไม่ใช่หนีเข่าป่าเขารกเข่าพงอะไรไม่ใช่พูดมาหมดแล้ว น, นั่นคือการศึกษาเพราะฉะนั้นถามว่าจะทํายังไงอาตมาไม่มีคําตอบตายตัวไม่มีสูตรสาเร็จหรอกช่วยกันพนลไม้คนละมืออย่างนี้แหละก็ช่วยกันไปจะทํายังไงให้เด็กเข้าใจผู้ใหญ่ก็ต้องเข้าใจแล้วผู้ใหญ่ก็ต้องทําเป็นตัวอย่างจริงๆมันไม่ใช่ไม่มีผลมันมีผลอยู่เนี่ยแต่มันไม่เร็ว เพราะสนามแม่เหล็กแห่งโลกีความแห่งแก่ตัวลากจูงอรไปสู่โลกีมันแรงสนามแม่เหล็กมันเข้มข้นเหลือเกินสนามแม่เหล็กโลกีอะอย่างของเราเนี่ยเป็นสนามแม่เหล็กโลกุตระมันยังไม่ได้เป็นส่วนอะไรเศษอะไรอยู่ในสนามแม่เหล็กนี่เลยมันสู้เข้าไม่ได้ ทุกวันนี้นี่พวกเรานี่ไม่มีตัวไม่ไม่เป็นตัวอะไรปอยู่ในสนามเมล็กโลกีอยู่ทุกวันนี้ก็เราก็คือเาพพุทธเจ้านี่มันต้องอยู่ในในโลกีด้วยมันไม่ได้หนีจากโลกีเพราะจึนอยู่ในแรงดูดแรงทวงแรงโน้มหนของโลกีอยู่ด้วยหมดแล้วเราก็ต้องอยู่ให้ได้ทำตัวเองให้นิวตรอนทำให้ตัวเองให้ได้อยู่รอด สังคมเนี่ยมันหมดแรงดึงดูดจากสังคมดูดเราไปได้แล้วเราก็มีอํานาจอิสระเสรีมีแรงที่จะก่อกู้สังคมดึงเงามวลของโลกรีเข้ามาเป็นประชากรเป็นประชาชิกสังคมโลกุตระนี่ให้ได้เพราะการศึกษาพวกเราเนี่ยจึงเป็นการศึกษาที่พูดวันนี้ก็ว่าเขาอยากอะไรดีพราะการศึกษาทั้งนั้นมันล้มเหลวมันเป็นไปไม่ได้ มันเป็นการสร้างอาวุธใส่มือกันเพราะงั้นเราต้องมาสร้างอย่างนี้แหละก็เป็นไปอใจคุณมันก็เหมือนกันกับทุกคนอาตามาก็เหมือนกันก็อยากได้อย่างที่คุณพูดนั่นแหละแต่ธรรมาไม่มีสูตรสาเร็จที่จะตอบคุณได้ค่ะขอบพระคุณค่ ะ, ะ, ค, ะคำตอบไม่พอใจไม่ไม่สมใจยังขอบขอบคุณเนาะตอบไม่ได้ยังขอบคุณเออดีเหมือนกัน จริงๆมันมีผลอยู่ไปเรื่อยเ ร, ยเราใจร้อนเราใจเร็วเราอยากได้มากๆเร็วๆตะกละับเท่านั้นเองมันได้อยู่ไปเรื่อยค่ะกราบน้อมกราบธรรมสกานพ่อท่านสมณะศิก ม, มาธและก็พี่น้องทุกๆคนค่ะเทินธรรมค่ะประทับใจชุมชนคนมีสินที่พ่อว่าเนี่ยแหละค่ะ ประทับใจมากมากเพราะว่ า, าคนมีศินเป็นคนขยันเป็นคนภาคเพียนชุมชนเนี้ชุมชนคนมีศินเนี่ยขยันพึ่งตนเองได้จริงค่ะเห็นตอนงานงานเจก็ยิ่งประทับใจมากเลยเพราะรา้นคะมันเป็นพฤติกรรมที่น่าประหลาดลึงในงานเจ งานที่เราทำกันที่รวมลงแขกกันทำงานเจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ประหลาดมหัศจรรย์แต่คนเขายังไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ลุกซึ้งเขายังไม่เข้าใจง่ายๆอ้าวว่าต่อเห็นเราประทับใจไม่รู้จะมันจะเอาอะไรมาเปรียบดีมัน มันทำเพื่อผู้อื่นจริงๆนะค ะ, ะถึงเราจะได้เงินมาเป็นล้านๆแต่หากลบลบนี่แล้วเราไม่เหลือแทบไม่เหลืออะไรเลยไม่เหมือนไม่เหมือนเร่องขอจิตวิญญาณแท้ๆเลยขนาดแรงงานของเราก็ตั้งสี500รอคนใช่ค่ะแล้วก็ที่เงานทางทุนนิยมเขามามองเราโอ้โหทำอย่างนี้จมจมจิบหพายหมดดูสิน่า<ล>รวย่าแงานแล้วมันทำไปทำไมเนี่ยทำไปได้ยังไง ขาทุนจิปหายหมดเลยเนี่ยคิดค่าตัวเอาคนมาจมอยู่อย่างนี้ไนดะ้สี่ห้0ร้อยคนแล้วทำไปทำไมอย่างนี้โอ้คุณค่าก็ไม่รู้จะค่ า, า, าประทับใจนคนอาริย ะ, ะ, ะที่ว่าเป็นชุมชนคนมีศินเนี่ยรู้สึกว่าทำอะไรไม่เพื่อตนเองเพื่อผู้อื่นจริงๆยิ่งโยมเห็นนั้นที่โยมอยากจะเล่าเพราะ้านว่าเราก็ทางเพื่อแหเราเราก็ไปบอกให้เขาปลูกผักนะคะเพื่อช่วยเขานั่นเองนะคะ ให้ก็ปลูกผักแล้วเราก็ซื้อเข้าในราคาที่แพงแล้วเราก็มาปลูกอีกค่ะ <laughs> มาปลูกอีกจนผักบุ้งของเราไม่รู้จะทํายังไงดีปวดหัวมากเลยโยมเป็นคนดูแลนะคะผักบุ้งนะคะงามมากเลยน่าจะาไปผัดสักกะทะสองกะทะก็ไม่ได้ผัดค่ะแล้วเราก็เอาไปเที่ยวไล่แจกก็เลยค่ะแจกพยําไล่แจกเขาค่ะขนาดนั้นก็ไม่ยอมหมดทุกวันนี้ยังอยู่เลยค่ะพ่อท่านคะ <c oughs> ยังอยู่ต้องเยอะเลยค่ะ <c oughs> เวลนเป็นกินไปทำเพื่อคนอื่น จ, จริงๆเลยนะค ะ, ะให้เขาให้จนไม่รู้จะให้ยังไงถึงเราจะเหน็ดเหนื่อยเราก็พยายามทํากันจริงๆนะคะสุดสุดชีวิตเลยที่ทํานี่ย น, นี่แหละดูดู <c oughs> พวกเราเนี่ยดูจาก <c oughs> งานเจเนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยพฤติกรรมของเด็กก็ดีผู้ใหญ่ก็ดีเนี่ย เห็นไหมนี่มันเราได้ผลไหมที่ถามเมื่อกี้เนี่ยาตมามีสูตรสาเร็จเนี่ยมันไม่มีผลแล้วมีผลมันเห็นชัดเจนนะค ะ, ะมันมีผลถึงยังไงก็เถอนะเอาเธอว่าไปอเอาปต่อบางคนก็บอกเอา้าทำน่ารวยมากเลยนะน่าจะรวยนะพอ <laughs> <laughs> ที่จริงๆเราทำเพื่อให้จริงๆนะคะว่าก็ ดูแลแล้วคนก็อยากมาช่วยนะคะเราก็ไม่ได้ไ ป, เ, ไปเชื่อไปเชิญแต่พวกเราทําด้วยใจจริงๆนะค ะ, ะ, ะเหน็ดเหนื่อยกันทุกคนบางทีเนะี่ยไม่อยากจะพูดหากันเลยคะ่ะที่ทํางานนะคะไม่อยากจะไม่อยากจะไปอะไรแบบแบบมันมันเหนื่อยอะคะ่ะมันเหนื่อยจนไม่อยากจะพูดนะคะ <laughs> พูดเดี๋ยวก็ทะเลาะกันอีก <laughs> ก็เลยเอาแต่นิ่งๆไปบางทีก็หาเรื่องอะไรตลกโปกหายหมันสบายใจอะคะ่ะ ทุกคนคืองานเต็มมือจริงๆอย่างคุณเย็นยิ่งโยมอยู่แผนกเมียงเนี่ยคุณยันยิ่งเนี่ยนะคะแกก็ไปขัดซ้วมเพราะนั้ น, นะคะ่ะไปขัดซ่วมแล้วก็มาหั่นผักถ้าใครรู้สงสัยโอ้ไม่น่ากินเลยขัดซ่วมเสร็จก็วิ่งมาหั่นผักนะคะออแล้วก็สักกระเดียวก็ไปขัดซ่วมอีกะคะ่ะก็มาหั่นผักอีกอย่างเงี้ยคะ่ะทั้งขัดซ่วมทั้งหั่นผักพอมีดไม่มีดไม่คมก็คุณย็นยิ่งมีดไม่คมอีกแล้ว อย่างเงี้ยเขาวิ่งไปแกก็ทําคือก็หลายอย่างอะค่ะแล้วมันมันเหนื่อยจริงๆนะคะแล้วพอมาพูดถึงว่าเราจะทํางานเจค้งที่สองอีว่าเด็กไม่อยู่จะทําหรือไม่ทําคิดหนักมากเลยเอาต้องทําริงได้ทลายเขาได้ทลายเขาเด็กไม่อยู่เด็กไม่อยู่อ้าวไม่อยู่จะเป็นการพิสูจน์สมรรถภาพ คุณภาพของผู้ใหญ่แหละทีเนี้ยจะเป็นการที่สูจนกันว่าผู้ใหญ่ก็ผู้ใหญ่ถึงจะแก่ๆเด็กพราะิดเทอมป่ะใช่เอาไม่เป็นไรก็เท่าไร่ก็เท่านั้นการไปช่วยกันก็ไปจะผู้ใหญ่ก็ถึงจะแก่ๆก็สู้ตายอ่ะพวกท่านค่ะสู้ตายจริงๆค่ะไม่ตายนะไม่ตายแต่สู้กัสู้จำนวนจำนวนก็สู้ค่ะสู้ตายในจำนวนค่ะกล่าวธรัมการค่ะว่า าใครอีกสักคนหนึ่งเอาาวาสอีกคนหนึ่งในในไอ้นักบวชบังเอานั่นะคุณเทายกมือ่อกับข อ, อการครับผมเทาแก่งทมนะครับเอ่อผมขอออความคิดเห็นคำจัดของในหลวงที่ว่าบริหารแบบคนจนนะครับ ผมเองมีความประทับใจคำพูดของคตัดของท่านมายาวนาน <c oughs> คือคำตัดนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสภาพที่มันเกิดมันก็เกิดอยู่ในสังคมของเราด้วยนะครับการประหารบแบบคนจนเนี่ยในความคิดของผมนี่นะฮะมันจะเกิดกลุ่มบุคคลที่ทำงานที่มีความคิดในเชิงของความเสียสละเกิดขึ้นนะครับ ยิ่งถ้าหากว่ามีการบริหารแบบนี้มากขึ้นกลุ่มคนที่เกิดขึ้นมากขึ้นจะเกิดความหลากหลายทางความคิดที่จะมีการพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นมันไม่จบที่ท่านตับว่าการบริหารแบบคนจนไม่จบไม่มีไม่มีคําว่าจบนะฮะไปได้เรื่อยๆไปได้เรื่อยๆที่ไปได้เรื่อยๆเพราะอะไรเพราะเชิงของจิตวิญญาณ ที่จะเป็นการทำงานเพื่อสังคมเพื่อการเสียสลนะนั่นนะมันเป็นรากฐานของความคิดนะที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอยู่เสมอเสมอเป็นความเจริญไปเรื่อยๆผมคิดว่าในภาพของความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นต่อสังคมไทยขณะนี้นะครับสังคมของชาวอโศกเรานะนั่นก็ส่วนหนึ่งเห็นชัดอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะของหมอเขียว ก็มีพลังที่สูงมากและก็ทํางานที่เด่นชัดมากให้เกิดเป็นรูปธรรมให้ประชาชนได้เห็นกันอย่างกว้างขวา ง, วางลิธแรงเหล่านี้นี่นะฮะถ้าสังคมเราเนี่ยมีการผลักดันนะฮะแต่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องยากของการผลักดันอย่างที่พระท่านบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยคนที่ทํางานเสียสละในโลกนี้เนี่ยก็มีให้เห็นนะแล้วก็รู้ว่าเป็นความดี แต่ไม่มีใครทํำที่ไม่มีใครทำเนี่ยในความเข้าใจของผมก็คือกิเลสนะฮะทั้งกามเอ่ยทั้งโลกธรรมเอ่ยเนี่ยมันเปน็นตัวขวางเราจะมีมหาบุรุษอย่างท่านคานท์ทีก็ดีหรือว่าอภรธรรมลิงหอนก็ดีเนี่ยซึ่งก็โด่งดังเป็นทั่วโลกแล้วก็เป็นตัวอย่างมายาวนานแต่ผมคิดว่ามันผ่านผ่านไอ้ความน้ําของกิเลสนะกามโลกธรรมไปไม่ได้นะฮะ ดังนั้นในเรื่องของการบริหารแบบคนจนก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ถึงยังไรก็ตามนะฮะผมคิดว่าณนะขณะนี้เนี่ยนะและโอกาสต่อไปข้างหน้านี้นะฮะโดยชีวิตของการงานเพื่อศาสนาที่พระท่านได้พาพวกเราทำกันเนี่ยผมคิดว่าเรี่ยวแรงของความเจริญในทิศทางนี้เนี่ยจะเป็นตัวผลักดันให้เกิดกระบวนการของความคิด หรือการกระทาที่จะเป็นเชิงที่จะทำให้ประเทศชาติสังคมโลกเนี่ยได้กลับมาหวนคิดว่าวิธีนี้น่าจะเป็นวิธีที่จะช่วยเกื้อกูลโลกให้สันติสุขอยู่ได้ตลอดไปครับ ร, รัฐการครับแน่นอนนะอาตมาว่าเป็นวิธีคิดที่ไม่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงได้เลยวิธีคิดนี้เป็นวิธีตลอดกาล นะแต่มันมาเหความเห็นเกตตัวกิเลสมันมาทำให้แปลเปลี่ยนทฤษฎีเอกทฤษฎีวิเศษนี้ไปในะกิเลสของคนความเห็นเกตตัวของคนมันมาเปลี่ยนจนกระทั่งมีพักมีพวกแล้วมันก็เข้ากับกิเลสมันก็เลยมาเป็นอย่างทุกวันนี้นะเพราะงั้นความคิดอันที่เป็นแกนแกนของสัจจะที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นาะโลกุตรธรรมหรืออริยธรรมที่เราพูดถึงอยู่เนี้ย ไม่ว่ายุคไหนไม่ว่ายุคไหนสุดยอดเพราะถ้าโลกสังคมเป็นบางกับบางกันบางยุคเขาจะมีคนอริยะที่เป็นโล ก, กุตระมนุษย์อยู่กันทั้งนั้นนะเขาก็สบายแต่โลกตักวนี้มันใกล้กระลียุคแล้วมันก็เลยพูดกันยากยากพูดกันไม่รู้เรื่อง น, นอกจากไม่รู้เรื่องแล้วเขาก็หาว่าบ้าหาว่ามันคนคว้างโลก เป็นอะไรตรายต่าง ๆ, างๆนา น, นาสารพัดเลยนะเพราะว่ามันไม่รู้ว่าไอ้สิ่งนี้เป็นสิ่งสุดยอดเป็นสิ่งประเสิบสุดยอดแล้วก็ไม่รู้จริงๆนะก็มีปัญหาอะไรเรามั่นใจเราแน่ใจแล้วก็ทําอัตมาไม่ได้มีความคลางแคลงสงสัยไม่ได้ลังเลไม่ได้ไม่ได้มีอะไรสักนิดหนึ่งที่จะสนดุดเลยว่ามันไม่จริงมันจริงสุดไม่มีอะไรที่จะ เปลี่ยนแปลงไปอีกเลยนะแล้วก็ไม่สงสัยด้วยว่าทำไมมันไม่ได้ไม่ได้มากมันไ่ได้มากยังไงสังคมมันใกล้กระลยุกกับคนกิเลสนาขนาดนี้มันได้ขนาดนี้ก็บุญนักหนาแล้วอา้าวสำหรับคราวาสก็คงพอตอนนี้ก็ให้ทางนักบวชเอาเริ่มจะเอาฝ่ายหญิงฝ่ายชายใครจะก่อนเชิญ ท่าทั้งโนนทั้งเกียงให้ทั้งทั้งฝ่ายยิงเกียงให้ท่านสมณะก่อนเชิญถือไว้ตั้งนานไม่ดูว่ามันดังยังขอกาศพ่อครูหมูสมณะเอาเลยเจริญธรรมพวกเราทุกคนดังดังดังอ่ะเธอพูดธอไปเพูดเบาเอง การฟังทำแต่ละครั้ง ก, ก็จะได้ข้อมูลแล้วก็มาเปรียบเทียบกับกิเลสของเราแต่ละครั้งแต่ละคราวบางทียังยังตอนเช้าๆยังที่เขาเปิดเทปที่ทางทีวียังตอนตอนเช้าๆอ่ะเรามาฟังแล้วเออทบทวนดูแล้วมันก็ดูดีนะมาฟังแล้วเราก็เข้าใจแต่ถ้าจะให้เข้าใจยิ่งกว่านั้นก็คือมาฟังเนี่ยสดๆอย่างนี้เนี่ย เราจะได้รู้ว่าออพ่อครูในเทศเรื่องอะไรบ้างและมันก็จะได้เข้าใจได้มากขึ้นอย่างเทศเรื่องกองกันสมรอาชีพเนี่ยอย่างชมออะไรพวกนี้คือสมัยก่อนก็เคยไปชมรเนี่ยอย่างอาตมาจะไปชมอเนี่ยเขาคัดนะโอ้ถ้าไม่มีตะบะไม่กินมื้อเดียวไม่มีพฤติกรรมอะไรเนี่ยเขาไม่ให้ไปเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ชมอมันมีแค่ชมอเดียวนะมันเมือเหมือนทุกวันนี้ ทุกวันนี้มันมีทั่วไปหมดนะใครมาก็ไปชมอรอก่อนอะไรพวกนี้แต่เมื่อก่อนเนี่ยอามานอยากไปน่ชมอรอนี่ทำไงวะจะได้ไปชมอรอะไรพวกนี้นะแล้วก็ต้องมีตบดอะไรหลายอย่างด้วยดังนั้นเวลาเรามาเรียนมาศึกษาธรรมะเนี่ยมันมันเป็นการลงทุนที่ที่ไม่รู้สิอาตมานเนี่ยมีคนเขาทวงอยู่หลายทีว่าโอ้จะพูดในร้อยให้ล้านครั้งอะไรอาตมาบอกว่า อาจมาจะมาพยายามที่จะฟังแล้วก็จะเกิดให้หลายๆชาติแล้วก็มาทําอย่างนี้ ถ, ถ้าทํามันเป็นไปได้นะถ้าเ ป, ปเป็นไปไม่ได้ก็เป็นตามปไมิบากอะนะคือเรารู้อยู่ว่าทุกวันนี้เราฟังฟังธรรมนี้ไม่กี่ชั่วโมงนะแต่ของโลกีที่มันเข้ามาหูเราเนี่ยแม้เราเราไม่ได้ตั้งใจหรอกมันเข้ามากี่ชั่วโมงอะอะไรพวกนี้ที่เราเห็นพฤติกรรมก็ดีอะไรพวกนี้เนี่ยของโลกีมันจีเยอะกว่าที่เราฟังธรรมโดยซ้ําไป อันนี้นี่เป็นความคิดที่่อมาเข้าใจว่าการฟังธรรมมันเป็นสิ่งที่เราต้องฟังให้ให้มากที่สุดจเจริญธรรมอ้าวฝ่ายยญิงมากขอโอกาสค่ะก็พรุ่งนี้จะเป็นวันครบรอบ32ปีของชมรมมังสวิรัตนะฮะก็ขอขอบคุณทุกท่นานนะอาจจะไม่ได้ไปร่วมงานกันทุกคนทุกที่แต่ เ, เรารู้สึกว่า พ่อครูเคยบอกว่าขอให้แต่ละคนเนี่ยเป็นปู่เป็นย่านะอยู่กับชมรมรอหลายคนก็ได้เป็นปู่เป็นย่านะฮะก็เป็นปู่เป็นย่าชมรมรอบ้างเป็นปู่เป็นย่าลูกหลานจริงๆบ้างก็มีนะฮะแต่ครั้งนี้ก็ออกมารวมกันดิฉันก็คิดว่าเราก็น่าจะใครที่มีกําลังใจมีแรงใจที่จะเปิดร้านบางสวิรัตทํากันจริงๆจังๆบ้างที่สําหรับคนที่อยู่ทางบ้านนะดิฉันว่า ก็น่าจะเป็นการตอบแทนบุญคุณพ่อครู80ปีด้วยนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่บางคนเนี่ยก็ใช้ก็หุงต้มกินเองมันเป็นเรื่องที่ยากนะแต่ถ้าเราทําร้านบางสวรรค์นะ่ะแม้จะไม่รวยเราเป็นคนจนๆนะ่ะแต่เราเรามีความสุขกับการขายอาหารที่เป็นบุญนะ่ยดิฉันก็อยากฝากเรียงนี้ไปกับพี่น้องที่มาร่วมท่าฟังรายการพ่อครูวันนี้นะคะแต่สิ่งที่อยากจะพูดจริงๆก็คืออยากจะพูดเรื่องสามอาชีพผู้ชาติน ะ, ะโดยเฉพาะวงเล็บขยะนิดนะคะ แต่ว่าวันนี้ตั้งแต่ตัวเองรู้สึกก็พ่อครูมาประกาศว่านี้ฉันจะรับภาระเรื่องขยะนะฉันรู้สึกว่าตอนแรกนี่งงมากเลให้ทําไงวะขยะนะก็อยู่ที่สันติโตกโตก็เห็นเขารุ่งเรืองมากเลยที่มาที่บ้าลาดเป็นไปได้หรืนะแต่ตั้งอันนั้นมันก็เหมือนมีสัญญาหรือมีตราอะไรมาตอกเอาไว้นะเวลาขี่จักรยานไปตรงไหนไปฐานงานไหนตอนนี้ก็ไปฐานงานอื่นๆบ่อยๆนะก็ไปเห็นพอเห็นว่ามีขยะลก โยนตรงนั้นตรงนี้มันเหมือนเรายังไม่ได้ทํางานน่ยมันจะรู้สึกว่าเมื่อก่อนดิฉันไม่เคยอยู่ในความรู้สึกดิฉันเท่าไหร่เลยนะจะลกมั่งอะไรมั่งกับฐานใครฐานมันนะไม่ค่อยคิดแต่พอตราว่าเออเราจะน่าจะมาร่วมมือกับรับผิดชอบเรื่องขยะเนี่ยไอ้ตัวนี้มันก็มากระตุ้นอยู่เรื่อยเลยว่าเอ๊ะนี่กัย่งทิ้งไอ้นั่นถุงพลาสติกไอ้นั่นขวดไอ้นั่นอะไรมันเห็นมันรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เรายังไม่ได้เข้าไปรับผิดชอบมันจะบอกอยู่อย่างนั้นบอกอยู่อย่างนั้นเหมือนอะไรอ่ะ มีเทวดามาคอยดุมาคอยว่าอยู่ตลอดเวลาเลยว่าไม่ได้ทํางานน่ะซึ่งสัญญาตัวนี้มันมาตราเมื่อไม่นานนี้เองนะฮะเมื่อก่อนมันไม่เคยทําในหัวดต่ฉันหลอกกิ๊ก็ไปทํางานตามสภาพแต่นี้พอมันมาแล้วเนี่ยมันก็มันก็ปล่อยวางเป็นเหมือนกันแต่มันก็คิดอยู่เรื่อยเลยว่าเอ๊ะทำยังไงนาะราชธานีโศกนะ น, นี้ขออภัยท่านที่อยู่ที่อื่นแต่ขอพูดความรู้สึกว่า ราชธานีอโศกเนี่ยถูกทุ่มเทด้วยน้ำใจแรงเงินแรงงานเวลาของพี่น้องเนี่ยโดยเฉพาะพี่น้องชาวอโศกเนี่ยปีปีหนึ่งมาราชธานีอโศกหลายหนด้วยระยะทางที่ไกลมีเงินเท่าไหร่ก็เก็บหอมลอมลิ์มาช่วยกองกลางก็ทุ่มอยู่บริเวณเนี้ยจังหวัดเนี้ยมาทำบุญกับพ่อครูตรงเนี้ยจนกระทั่งวบบก็มารวมกวันตรงนี้พ่อครูก็มาอยู่ตรงนี้แล้วเราจะตอบแทนบุญคุณ มวลมนุษย์ที่เป็นเป็นแรงใจคือชาวอาโศกก่อนและชาวบ้านยังไงนี้ก็เลยคิดว่าถ้าถ้าชาวบ้านลาดทุกคนที่ได้ยินเสียงนี้อยู่ตรงนี้ทำบริเวณที่กำลังถมใหม่เนี่ยให้มันเขียวสวยกออิ่มกอเต็มงามไปทุกสิ่งทุกอย่างทั่วก็ให้มีกินทุกมือ้องาให้มีกินด้วยตัวเองทุกวันต้อนรับคนที่มาด้วยอาหารสุขภาพแจ๋วแจ๋วแบบ เอาเลยแบบแล้วก็พวกเราก็สะสางตัวเองให้มันคล่องตัวน่ะอย่ามีสะสมของอะไรไว้ที่ตัวเองมากจะได้เป็นอนาคาลิกะบุคคลแล้วก็มาจัดฐานงานนะทีก็อ่านของญี่ปุ่นญี่ปุ่นด้วยนะมีเว็บไซต์ก็เปิดก็ไปดูว่าทำไมเขาเขาสะอาดได้นะาะไฮบบ้านเรามันซกมกได้นาะนะ <c oughs> เขามีทิ้งเป็นวันทิ้งเป็นหน้านนี่ก็คิดเอาไว้ในใจนะว่า ถ้าหลังมหาปวานากลับมาเนี่ยหลายคนอาจจะต้องรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมต้องวุ่นใจเนี่ยอยกขอกําลังเด็กสมุนพระรามเนี่ยเป็นตัวหัวหอกในการเข้าไปช่วยจัดสรรเรื่องความสะอาดเรื่องเก็บขยะทุกวันกูเล็กคงช่วยได้อะวางแผนจันท์เอาเอาสมุนพระรามเป็นกําลังเอาสมุนพระรามเป็นกําลังเพราะว่าผู้ใหญ่ในงานเย อ, อะแล้วก็ให้สมุนพระรามาไปขอร้องผู้ใหญ่แต่รฐานเนี่ยมันสะอาดขึ้นเลตอนนี้กําลังจะให้เต้นเพลงขยะก่อนคนะ แล้วเรออกทีวี <c oughs> บ่อยๆนะก็อนี้ก็เป็น ฟ, รรฟาร์มฟุ้งซ่านหรือเปล่าพอมา อ, อยู่ฐานขยะมันก็คิดเรื่องขยะนะไอ้ก <c oughs> <c oughs> ิเลสก็ตัด แ, แต่ว่ามันก็เหมือนเอ๊ะมันเหมือนชาวอโศกยังผิดอยู่นะที่ยังไม่สามารถทําให้บ้านเรือนสิ่งแวดล้อมของชาวอโศกเนี่ยดูแล้ว น, น่าเคารพน่าเลื่อมใสน่าอยู่น่ า, าพิรมอะ่ะนี่มันเป็นความผิดของชาวอโศกนะ เพราะชาวโศกจะต้องสร้างความถูกต้องให้ชัดเด่นเป็นรูปธรรมมากกว่านี้ซึ่งที่สันเตรโศเขาทํายากนะคะเดียนเห็นใจเขามากเพราะว่ามันเป็นหมู่บ้านที่หลากหลายแล้วก็แต่ละคนก็ไปไหนก็กลับหิ้วถุงกลับมาหิ้วถุงกลับมาหิ้วถุงกลับมาแต่ที่ราชธ า, านีอโศมันเป็นหมู่บ้านของเราเองอะเอใส่บาตรโดยไม่ใช้ถุงพลาสติกได้ไหมเนี่ยเด่นก็เคยคิดหลายหนแล้วนะเอจะไปหาโยมที่ใส่บาตรดีไหมเนี่ย นะใส่อะไรก็ได้ที่ไม่มีถุงพลาสติกไม่มีอะไรอะไ ร, อะไรนะเอะเรามีอุดมการณ์ตัวนี้ก็ได้ไหมเนาะเราค่อยๆทําไปแล้วก็ทําบ้านเราให้สะอาดๆให้มันมาลกอยู่ที่โรงขยะก็ได้นะนะแล้วที่นี่ก็จะค่อยจัดให้มันสะดวกเองฐานงานก็ให้มันสะอาดๆให้ใครมาดูงานแล้วรู้สึกว่าอืที่นี่ไม่น่าเชื่อเลยเนะี่ยญี่ปุ่นหรือสิงคโปร์มาอยู่ที่นี่หรือไงทําไมเขามีระเบียบอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็เป็นจุด จุดประกายขึ้นในใจแล้วก็คิดว่าที่พูดไปเนี่ยก็พูดเพื่อให้พี่น้องทุกคนร่วมกันนะเพื่อจะตอบแทนบุญคุณใน80ปีพ่อครูด้วย32อปีชมอโลด้วยบวกกับสามอาชีพกู้ชาติเนี่ยมันต้องเดินก้าวไปแบบแบบเราต้องเหนื่อยกว่านี้ถ้าไม่เหนื่อยกว่านี้มันคงเป็นรูปธรรมอย่างนี้ไม่ได้เราต้องเสียสละมากกว่านี้แล้วก็มีระบบระเบียบมากกว่านี้ก็อาจจะต้องมี แต่ละฐานงานนี่ต้องมีถุงขยะไปตั้งมีอะไรไปตั้งก็อันนี้เป็นการบอกเอาไว้ก่อนนะคิดว่าเรื่องนี้จะทําหลังจากมหาปวนากลับมาทีมขยะทีมสิ่งแวดล้อมก็คงจะช่วยกันสร้างความเป็นรูปธรรมให้เกิดอยากจะบอกว่าอยากให้เกิดใ ห, ให้ได้ในเดือนมกราเนี่ยนะพอหนึ่งมกราใครมาก็สัมผัสภาพที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะเพราะว่าราชธานีาโศกมันจะทําง่ายกว่าสันเตียโศกผสมโศกเยอะเพราะว่า ดินแดนของเรามันเหมือนยังบ้านนอกอยู่มันยังต่างจังหวัดอยู่มันยังเป็นธรรมชาติอยู่เราน่าจะกลับสู่ธรรมชาติจนกระทั่งคนเนี่ยเห็นแล้วเป็นต้นแบบนะทั้งเรื่องของสามอาชีพกู้ชาติขออภัยพูดยาวฮะอ้าวขอสำทับส่งทายมีใครยังเหลืออยากมีอะไรสาคัญอยากพูดอีกไหมอ้าอ้าท่านเดินดินตบท้ายเลยท่านนะเดี๋ยวจะมาขอบันี ครูเน้นประเด็นเรื่องออลักษณะของชุมชนที่มีความเจริญรู้สึกว่าจะอธิบายอุบมาเห็นได้ว่าชุมชนที่ชุมชนเข้มแข็งที่มีความเจริญเนี่ยก็เพราะว่าไม่มีการแข่งแย่งกันที่ไม่มีการแข่งแย่งกันก็นเพราะว่าเราไม่ได้มุ่งไปรวยนะเรามุ่งมาจนแต่ถ้ามุ่งไปรวยเนี่ยความแข่งแย่งก็จะสูงก็จะเป็นบอกไม่ได้ว่าเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง แต่กร น, นี้รู้สึกว่ามันมีภาวะที่ซ้อนอย่างหนึ่งว่าตอนนี้พ่อครูเน้นสามาชีพพวกเร า, เาออ ก, าก็ออกไปทํานากันออกไปทํานาแล้วบางคนก็ไปซื้อนาไปเป็นเจ้าของนาผมรู้สึกว่าเอ๊ไปมาๆนี่อาจจะเป็นเพาพ่อครูไม่ค่อยได้เน้นเรื่องโอลาลิก า, าตาเท่าไหร่พยายามตีแต่เรื่องอฬูปะอตามโนมย่าต า, โ, า, อ า, ตาโอลาลิกาอัตาเง รับออกไปเป็นเจ้าของนากันอย่างเงี้ยนะครับคือคือเริ่มมีสัญญาณว่าตรงนี้อันนี้ไม่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นความลงตัวเป็นความเจริญหรือว่ามันเข้าทางที่พ่อครูต้องการเน้มสาวาชีพครูชาติอย่างกันหรือเปล่าครับภาวะที่เห็นสัญญาณตอนนี้ว่าเอ๊ะใครใก็อยากจะเป็นเจ้าของนานแล้วไปมาเอา้ารู้สึกว่าก็ดีไหมเงนะี่ะทุกคนไม่เอาเราก็ไปรวยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย ก่จะช่วยอธิบาย อ, อุปนิกัตาม อ, าอันนี้ก็จริงนะมันมีอัตตามันมีตัวตนว่าแม่เราอยากจะทําดังใจเรามันม่จะทําดังใจเราถ้าบอกว่าจะไปเป็นธรรมเพื่อของเราเองก็อาจจะไม่มีความหมายนี้เต็มที่ทีเดียวอะก็คงเป็นที่อัตตามานะเราจะได้ทําดังใจเรามากกว่าที่จะทํา เพื่อรวยของเราเองอัตมาว่านะมันคงไม่หมายถึงว่าเราจะทำเงี้ยเราจะได้ทาเพื่อรวยของเราเองมันคงไม่หรอกนะคงคิดอยากทำนาแหละก็เลยจะไปหานาส่วนตัวทาตั้งใจเราเนี่ยทำไมมันไม่ได้ดังใจไอ้ที่ทำเนดึงๆงนไปดึงๆกันมาอย่างไงยังไงไม่รู้มันก็เลยคิดอย่างนี้บคนเราอ่าตอนนี้นี่อย่างที่สิคมาตกลาข้ามฟันพูด เรากําลังปรับที่ปรับหลายที่เลยเดี๋ยวก็รู้จะให้ทํำกสิกรรมทั้งนั้นนะ่ะที่ปรับที่เนี่ยนอกจากที่วิเลยนั่นที่หรือที่ปรับอยู่พวกนี้เนี่ยนะแบ๊คโฮก็กําลังไล่ปรับที่ตรงนั้นตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้ทํำกสิกรรมทั้งนั้นนะ่ะจองเลยจับจองเลยนะ ถเผอจะทำแนละ้วลงมือเลยจับจองกันแล้วก็บอกกันให้รู้เรื่องใครจะทําตรงไหนอะไรยังไงท ำ, ทำจริงจริงอย่างที่สิษย์มากราคามาให้มันเขียวโอโ้เดินไปตรงไหนก็อมันน่า ก, กินนั่นนี่ต้นนี่น่ากิกนต้นนี่ก็น่าเด็ดใส่ปากเลยอะไรเงี้ยนะจริงๆริงนะมันงามจริ ง, ร ง, ร ง, รงๆเลยอาตมานึกถึงวันที่เขาจัดกระสิก ควันเกษตรเกษตรที่มอ อ, อบนอยู่ปีแรกที่เราไปอยู่ปีแรกปีสองนั่ <Yeah. Yeah. S 1> น่ะและเราก็จัดของเราเราทำของเราโอ้โหเป็นเป็นชุมชนที่ทุกคนโอ้โหทุ่มโถมเลยนะ พ, พ, พันพืชพันธุยาหายขอเาได้โชว์เต็มที่เลยต่นนั้นงามหมดเลยนะ ของพวกเราแต่ละคนแต่ละเจ้าแต่ละเจ้าม่งา ม, มถ้าจะว่าไปแล้วในขึ้นหน้าขึ้นตา ง, งานกสิกรรมตอนนั้นเนะออไม่ใช่งานของวิทยาลัยงานของวิทยาลัยตอนนั้นนะเป็นงานเกษตรเขาของเราชื่อว่าเกษตรเลยเป็นตัวตั้งเลยเป็นตัวตัวอย่างตัวจริงเลยแต่เขาไม่อยากยกเขาไม่อยากยก ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเราก็ไม่ได้ไปติดใจเตว่าก็จะต้องมายกยอ่อเราหรแต่ น, นี่พูดถึงสาระความจริงสู่กันฟังเราทำได้งามนะทำได้งามแล้วก็ทาได้เต็มที่ด้วยนะใครเดินเข้าไปโอโหจากป่าเอ็นอาป่าไวป่าอะไรของเก่าๆที่มันรกไม่ได้เรื่องอะไรเลยเนย่โอโหเราเนรมิตพื้ขึ้นมาขนากระตุนย่างงั้นนะ เออกะลังอาจารย์ข้าดินูหัวเท่านี้อะไรเงี้ยโอ้โหมันสวยมันอะไรอ่าถ้าใครระลึกถึงตอนนั้นได้ั้นนอกอื่นๆก็สร้างไอ้องประกอบของงานของเขาเนเจ้านั่นเจ้านี่มาเยอะเยาะแยะสร้างของมหาใดเองไม่มีของมหาลัยเองไม่มีกู้หน้าไว้อย่างเดียวได้ปลูกดง ทานตะวันไว้เท่านั้นน่ ะ, ะมีดงทานตะวันมีทับปูปลูกทานตะวันเอาไว้เป็นโดงพระทานตะวันได้กู้นาว่าย่างเดี่ยวนอก น, นั้นมันไม่มีอะไรนะมาลองลองดูเราลองดูว่าเดือนนี้มันเดือนตุลากลางเดือนจะปลายเดือนละพฤจิการทันวาเดือนมกราเรางาน างานโพชั ง, ชงาคาริยาสจายุโพชังคาริยสัจายุงานวบออบบบอันเดียวกันโพชังคาริยสัจายุก็มาบบบบอันเดียวกันเนี่ยมันก들들็จะถึงวันถึงเวลาแล้วว่าจะเผือว่าจะทําึงนี้ก็ช่วยกันแล้วก็ตอนนี้ก็ปรับที่อะไรทั้งน้แล้วก็เอาเลยลงมือมีเวลาเดินสงเดือนนี่ทันถวยเขียวพอดีเลย กำล oh, right. e, e. ังงามเลยอ๋อเอาเลยเอาดีดีแบ่งสัดส่วนก็อย่าแย่งกันอ่าอย่าแย่งกันอย่ารวมกันนะรวมกันทำาตั้งใจตันี้ใช้ภาษาอีสานนะแบ่งพูด แบ่งพูนี่หมายความว่าแบ่งส่วนแบ่งส่วนกันส่วนใครส่วนมนอ้าววอวอวโนบอลองซีเห็นต้นก็คือน้ำลายแล้วเนาะเห็นต้นเห็นสีสันก็คือน้ำลายแล้ว เอาจริงๆนะมันชวนนะแตา ม, มันมันมีปริมาณด้วยและคุณภาพด้วยเนี่ยโอ้โหมันดูลานตาไปปริมาณแล้วก็ดูโอ้โหคุณภาพมันมชูต้นชูช่อชูใบนีนอะไรต่างนานาเนี่ยอาตมายังนึกเห็นอันนี้ก็ว่าจะพูดกบพูดเถอะไอ้ลูกนี่มันใหญ่อย่างเลยเนี่ยนะฟักข้าว ฟักข้าวนี่อาตมาบอกให้เลยฟักข้าวมันตอนนี้มันขึ้นมาในสังคมแล้วสังคมจนเอาไปวิจัยตอนนี้ก็เลยดูค่าคุณค่าของอาหารของสังคมเอามาวิจัยกันละแล้วก็ก็นิยมกันขึ้นมาลวแต่ก่อนฟักข้าวมันไม่มีใครรู้จักหรอกอตาต ม, มาไปเห็นที่มอ อ, อุบล น, นี่แหละต้นมันอยู่มออบุบลบอกโด้ดีพวกเราก็เลย พอไปพูดไปอะไรอะไรก็บอกแนะนํำยังนึกได้แต่โบราณมเข้ามาหุงกับข้าวมาอะไรพวกเราก็เอามาเริ่มต้นทําเสร็จแล้วเราก็ไปทําน้ำนะไปทําน้ําไปทําอะไรอะไรขยายผลไปหลายหอย่างฝราข้าวมันชวนตาสีมันโอ้โหชวนตามันก็เลยไปไวและพวกเราด้วยพวกเราเป็นตัวนําสังคมตัวแฟชั่นมันเงี้ยนะไอ้เรื่องพวกนี้ทําน้ําทำอะไรอะไรไอ้วพวกนี้ก็เลยออกไปบ้างแล้วไอ้อื่นๆนี่ก็เลยทําเป็นอาหวหงาหารนีไป ตอนนี้ก็ขึ้นขึ้นหมอกแต่เนี้ยเห็นแล้วก็ยังสะดุดใจวโอ้ลูกมันใหญ่ดีจังเลยลูกมันแค่นี้เลยดูที่นี่แหละมันอันนี้มันใหญ่และส่วนใหญ่มันก็เป็นอย่างเงี้ยใหญ่ปูกนันเต็มไปหมดละนี่ฟักข้าวจะบอกว่าเราเป็นพวกที่ดึงขึ้นมาก็ได้มันเป็นของเก่าของอยู่ในสังคมเขาไม่ค่อยรู้เรื่องกันหรอกแต่ตมาเฮียนกันเลยเอามาที่ อุทยานเราก็ตรงเต่งตรงเต่งอยู่บนต้นบนยอดที่ต้นทำฉาหนึ่งอาก็ขอแจ้งสุดท้ายทางการเขานะเขาบอกให้ผู้อายุยาวนี่ที่ได้รับเบี้ยเลี้ยงอย่างชีพเนี่ยที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในบ้านราดนี่นะผู้อายุยาวมีทะเบียนบ้านอยู่ในบ้านราดเนี่ย ทุกคนนะให้ช่วยถ่ายสำเนาบัตรประชาชนเอามาส่งที่ปะงามงานผู้ที่เดเบีย้ยอายุยาวเบี้ยยังชีพอายุยาวเอาบัตรประชาชนเอาสำเนาสำเนาบัตรประชาชนมาส่งที่ปะงามงานเป็นข้อบังคับต้องไปแจ้งที่เทศบาลเขาเขาจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปต้ปตงงอตงส่งเขาทุกๆุกเดือนต้องส่งเขาทุกๆเดือน นะก็เราก็อยู่บ้านราดล้วก็บอกคนบ้านราดคนที่อื่นก็ไปทำของเขาสิคนคนที่บ้านไหนได้เบี้ยเลี้ยงอยู่ที่บ้านเออได้เบี้ยยังชีพของบ้านไหนใครอายุที่ได้เบี้ยเลี้ยงได้เบี้ยยังชีพที่บ้านไหนอยู่บ้านไหนก็ไปจัดการของตัวเองสมโนโครอยู่ไหนล่ะอันนี้บอกชาวบ้านราดที่มีสมโนโครอยู่บ้านราดให้มาส่งที่ปากงามงานถ้าส้ำน้ำสมโนโคที่อื่นก็ไม่ต้องเอามาส่งปากงามงานหรอก พรมันไม่ได้ประโยชน์อะไรใช่ไหมล่ะเออเอา้าวเอาละเข้าใจแล้วนะใครบอกกันด้วยใครที่ใครรู้ใครแล้วไม่ค่อยมาบางคนก็ไม่ค่อยมานี่ๆก็บอกกันด้วยผู้ที่ไม่มาผู้ที่มาได้รู้แล้วก็ฟังไปนะก็เอาไปจัดการซะอ่ะสหรับวันนี้อ่ะจบเจริญธรรมทุกคน